วันหนึ่งคุณเชยเข้ามาในวังแต่เช้าและตรงมาที่ตับหนักตามเคยพลอยนั้นดีใจมากนะคะเพราะว่าไม่ได้พบคุณเชยมานานพอเห็นหน้าพี่สาวพลอยก็วางทุกอย่างที่กำลังทำแล้วก็รีบวิ่งไปต้อนรับคุณเชยฉันคิดถึงคุณเชยเหลือเกินไม่ได้พบคุณเชยมานานคุณเชยเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่าแล้วทางบ้านละ่ะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ขอให้ฉันนั่งให้หายเหนื่อยสักครู่แม่พลอยถามฉันทีเดียวตั้งหลายข้อฉันจะไปตอบอะไรทันว่าแล้วคุณเฉยก็นั่งลงแล้วก็เริ่มตอบปัญหาเกี่ยวกับทางบ้านที่ที่แม่พลอยสงสัยนะคะจริงๆก็ไม่ได้สงสัยก็เป็นการถามไถยสุขทุกตามภาษาวันนั้นค่ะคุณเฉยก็อยู่กินข้าวกลางวันที่ตำหนักซึ่งทําให้พลอยมีความสุขมากนะคะเพราะว่าได้พูดได้คุยกับคุณเฉยได้เต็มที่สมกับที่ไม่ได้พบกันมานาะน วันนี้คุณเฉยซื้อขนมของกินจุกจิกเข้ามาฝากพลอยหลายอย่างค่ะระหว่างที่คุยกันคุณเชยก็แกะห่อขนมออกวางจนเกือบรอบตัวแล้วก็เรียกช้อยเนี่ยมาร่วมวงกินขนมกันแล้วก็คุยกันอย่างเบิกบานใจพลอยนั้นไม่ได้เฉลียวใจอะไรเลยนะคะก็คิดว่าคุณเชยเนี่ยมาเยี่ยมเฉยๆตามปกติ จนกระทั่งตอนบ่ายค่ะคุณสายเข้ามาร่วมวงคุยด้วยในห้องและก่อนที่คุณเชยจะลากลับคุณเชยก็เลยพูดธุระกับคุณสายว่าแจ้คคุณพ่อให้เข้ามาเรียนคุณว่าถ้าวันไหนคุณว่างขอให้เชิญไปพบท่านมีธุระจะปรึกษาด้วยถ้าคุณจะไปวันไหนก็ให้บอกอีชั้นไปท่านจะส่งเรือมารับค่ะท่านมีทุระอะไรหรือ เห็นท่านว่าท่านมีเรื่องจะปรึกษาคุณส <the> ่วนจะเป็นเรื่องอะไรอีกฉันก็ไม่ทราบท่านว่าเชิญคุณออกไปวัยวัยหน่อยก็น่าจะดีได้สิฉันจะออกไปหาท่านเร็วเนี้คุณสายรับรองนะคบแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันคิดดูก่อนว่าฉันจะไปได้เมื่อไรเอ พรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้มารือ น, นี้ก็ยังติดอยู่อีกเอาอย่างนี้ดีกว่ามาเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคุณเชยส่งเรือมารับแต่เช้าทีเดียวนะจะได้รีบไปรีบมาเป็นอันว่าคุณสายกําลังจะไปหาเจ้าคุณพ่อของพลอยนะคะด้วยธุระบางอย่างคืนนั้นเมื่อคุณเชยกลับไปแล้วพลอยก็ได้แต่ครุ่นคิดว่าเอ๊ะ เจ้าคุณพ่อมีธุระอะไรหนะ้าที่จะต้องปรึกษาหารือกับคุณสายถึงขั้นต้องเชิญไปปรึกษาถึงที่บ้านเลยทีเดียวถามคุณเชยคุณเชยก็บอกปัดว่าไม่รู้เรื่องยิ่งคิดไปก็ยิ่งวิตกเพราะว่าเรื่องที่เจ้าคุณพ่อจะต้องปรึกษากับคุณสายนั้นจะต้องเกี่ยวกับพลอยอย่างไม่มีปัญหาคือแน่นอนเพราะว่าคุณสายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นผู้ปกครองของพลอยนะคะ แต่ว่าจะเกี่ยวกับพลอยด้านใดพลอยก็ยังนึกไม่ออกพอนักใจมากเข้าแน่นอนคะ่ะพลอยก็ต้องหันหน้าเข้าปรับทุกข์กับชอยจะมีใครเสียได้นะคะชอยฉันสงสัยเสียจริงๆว่าเจ้าคุณพ่อท่านมีธุระอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสิพลอยแต่ธุระนั้นเห็นจะเกี่ยวกับคุณอาบ้างไม่มากก็ น, น้อยละ่ะ ฉันกลัวจะไม่เกี่ยวกับคุณอาเท่านั้นนะสิกลัวมันจะมาเกี่ยวเอาฉันเข้าด้วยก็เลยชักไม่สบายใจฉันก็กลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่จะดึกดาวอย่างไรก็คงไม่ถูกหรอกพลอยใจผู้ใหญ่นะรู้ยากฉันว่าเราเห็นจะต้องคอยต่อเมื่อคุณอากลับมาแล้วนั่นแหละถึงจะรู้เรื่องจริงเฮ้อกว่าจะรู้ฉันก็เห็นจะอัดใจตายซะก่อน พลอยบนทาให้ช้อยหัวเราะเออพลอยนี่อยู่กับฉันนานไปชักจะติดนิสัยไม่ดีของฉันขึ้นทุกวันแต่ก่อนฉันเคยเห็นพลอยเป็นคนใจเย็นมีเรื่องมีราวอะไรก็ทนได้เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นคนใจร้อนฉันเสียอีกกลับใจเย็นกว่าแต่ก่อนช้อยช้อยพูดอย่างนั้นก็เพราะไม่ใช่เรื่องของตัวนะสิลองเป็นเรื่องของช้อยเองป่านนี้ คงได้ดิ้นปัดปัดไปแล้วละ่ะไม่มีวันจะมานั่งนิ่งอย่างฉันหรอกฮ่าดึกแล้วลาะพลอยนอนกันเถอะเรื่องที่เราไม่รู้ถึงจะเดาก็คงผิดแล้วเราก็คงจะยังไม่รู้อยู่นั่นเองคิดไปก็ปวดหัวปเปล่าๆว่าแล้วชอยก็เตรียมตัวเข้านอนคืนนั้นพลอยนอนไม่หลับ ให้คิดวิตกวิจารณ์ไปต่างๆนานานะคะเจ้าขุณพ่อเคยปรารบเรื่องอยากให้พลอยออกไปอยู่บ้านบางทีคราวนี้หรือว่าเจ้าขุณพ่อจะเรียกคุณสายออกไปพบเพื่อปรึกษาเรื่องที่จะทูลลาเอาตัวพลอยออกไปกระมังพลอยนอนคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาในวังก็ไม่แน่ใจว่าถ้าออกไปอยู่นอกวังจะมีความสุขเช่นนี้หรือมีความสุขกว่านี้นะคะ คิดถึงคุณสายคิดถึงช้อยแล้วก็คนอื่นๆที่รู้จักคุ้นเคยก็ใจหายเพราะว่าเคยกินเคยอยู่เล่นหัวมาด้วยกันจะต้องมาพลัดพรากจากกันไปอยู่คนละที่คิดถึงคุณเฉยที่บ้านก็พอจะอุ่นใจแต่พอคิดถึงคุณชิดและพ่อเพิ่มก็หนักใจขึ้นมาอีกและพอคิดไปถึงคุณอุ่นโหโหคราวนี้ก็นอนเหงื่อแตกกันเลยทีเดียวนะคะพเพราะถ้าเกิดว่าต้องไปอยู่บ้านเดียวกับคุณอุ่นตลอดไป ชีวิตอนาคตของพลอยนี่โอ้โหก็คงไม่ผิดอะไรกับอยู่ในนรกนั่นล่ะค่ะทีนี้พอถึงวันนัดกับคุณเชยคุณสายก็รีบแต่งเนื้อแต่งตัวไปแต่เช้านะคะตอนแรกๆเนี่ย เ, เรียกนางพิษจะเอาตามไปด้วยแต่นางพิษนี่ไม่ยอม อีฉันไม่ไปกับคุณละเจ้าค่ะให้พาดไปดีกว่าอดูนางพิษสิทำไมถึงไม่ไปคุณจะใช้บ่าวไปไหนบ่าวก็ไปทั้งนั้นยกเว้นบ้านตึกฝากขนน้นแห่งเดียวบ่าวเกรงว่าจะเกิดเรื่องเกิดเรื่องอะไรไปประเดียวเดียวประเดียวเดียวก็เกิดได้เจ้าค่ะถ้าคนมันมีเรื่องกันอยู่บ่าวไปประเดียวเกิดไปปบกับอีพวกคนบ้านนั้นขึ้นมา ก็จะขายหน้าลําบากใจแกคุณเป่าเป่าคือนางพิษเนี่ยครั้งที่แล้วที่พลอยไปอยู่บ้านก็เคยมีเรื่องมีราวนะคะก็คงสืบเนื่องมาจากที่คุณอุ่นเนี่ยอ่าห้ามไม่ให้บรรดาพวกเป่าไครมาคบค้ากับนางพิษนั่นเองนะคะแล้วก็เลยหั่นไส้กันไปคุณสายก็เลยอืมจริงของมันฉันก็ลืมไปไม่เคยนึกถึงเรื่องจะไปตบไปตีกับใครมานานแล้ว คุณสายก็เลยเอาผ่าตามหลังไปแทนนางพิษนะคะโอกาสที่พลอยจะได้รู้เรื่องราวทางบ้านก็เลยหมดไปด้วยคือถ้าเกิดเอานางพิษไปเนี่ยกลับมาก็ยังพอถามไถ่กันได้เพราะนางพิษก็คงยินดีที่จะบอกอยู่แล้วนะคะคุณสายหายไปทั้งวันกลับมาอีกทีตอนบ่ายมาถึงก็โบกเวกบ่นว่าร้อนบ่นว่าเหนื่อยนะก็ต้องเรียกเด็กมาพัดให้เหงื่อแห้ง คองเหนือแห้งก็ต้องอาบน้าให้หายร้อนอาบน้าพาน้าอบเสร็จแล้วก็ต้องลงนอนคว่มให้เด็กเหยียบจนกว่าจะหายเมื่อยพลอยก็อดใจรอให้คุณสายในบูรณะตนเองให้พ้นจากความบอบช้ำต่างๆที่ได้รับจากการเดินทางเข้าไปในคลองบางหลวงด้วยความกระหายอยากจะรู้ว่ากิจทุระของเจ้าคุณพ่อนั้นคือเรื่องอะไรกันแน่พอคุณสายหายเหนื่อย ก็เรียกพลอยเข้าไปใกล้แล้วก็ยื่นห่อของให้พลอยเจ้าคุณพ่อท่านฝากหีบหมากมาให้น่ารักออกแก่ห่อออกดูสิไปไหนจะได้ใช้กินพอพลอยแก่ห้อนั้นออกดูนะคะก็พบหีบหมากย่านางเลาใบหนึ่งเลี่ยมนากรูปร่างกระทัดรัดในหีบมีตลับหมากตลับยาซองพลูทาด้วยนาคแบบครบเครื่อง ทั้งๆ ท, ที่ใจเนี่ยอยากจะรู้เรื่องมากกว่าพลอยก็ยังอดตีใจไม่ได้นะคะเพราะว่าหีบหมากนี้น่ารักเหลือเกิตนตายนาเอนดูฉันไม่รู้จะถือไปกินที่ไหนหรอกค่ะคุณอาไม่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวสักทีถ้าไปก็มีแต่ตามเสด็จต้องเชิญหีบหมากเสวยไม่รู้ว่าจะไปถือซ้อนกันยังไงท่านอุตส่าห์ส่งมาให้ก็เอาไว้เถิดวันหน้าวันหลังก็คงมีโอกาสได้ใช้เองนั่นแหละ คุณสายก็ยังพูดแบบมีนัยยะนะพลอยเมื่อได้หีบหมากแล้วก็ยังไม่ยอมลุกมาจากคุณสายอยากจะถามให้รู้เรื่องที่เจ้าคุณพ่อออกมาตามอมาตามคุณสายให้ไปพบให้ใหได้นะคะว่าเป็นเรื่องอะไรคือจะว่าเจ้าคุณพ่อตามคุณสายไปพบเพื่อที่จะมอบหีบหมากใบนี้ฝากมาให้พลอยเนี่ยก็ดูจะผิดวิสัย เพราะท่านสามารถจะฝากคุณเฉยเข้ามาให้ก็ได้แต่เจ้าคุณพ่อจะต้องเห็นว่าเดี๋ยวนี้พลอยเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ทีเดียวเพราะหีบหมากนั้นเป็นของผู้ใหญ่ซึ่งท่านไม่เคยให้พลอยมาก่อนก็แสดงว่าตอนนี้ท่านคงมองว่าพลอยเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะก็เลยให้ของใช้สาหรับผู้ใหญ่สาวสมัยก่อนก็จะต้องมีหีบหมากให้สมหน้าสมตาของตัวเองแล้วก็กินหมากกันปากแดงเนี่ยนะคะ พลอยก็นั่งอิดเอื่อนอยู่ค่ะจะถามคุณสายตรงๆก็เกรงใจกลัวคุณสายจะหาว่าๆๆละลาบละหลวงอ้ครั้นจะไม่ถามก็จะอานอั้นตันใจไม่สามารถจะเก็บความอยากรู้อยากเห็นเอาไว้ได้พลอยก็กลืนน้ําลายอยู่สองสาครั้งจนในที่สุดก็หลุดปากถามออกไปว่ า, าคุณอาคะเช้าคุณพ่อท่านมีธุระอะไร ธุระอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเด็กคุณสายขึ้นเสียงดุทันทีทำเอาพลอยสะดุ้งหน้าเสียแต่พอคุณสายเห็นสีหน้าพลอยก็สงสารเออพลอยอย่าถือสาคนแก่เลยอาพูดเอะอะไปอย่างนั้นเองเจ้าคุณท่านมีเรื่องสั่งอามาทูลเสด็จอายังไม่ได้เฝ้าจะพูดไปก่อนก็ไม่ดีแต่ไม่เป็นไรหรอกพลอยไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร อย่าห่วงไปเลยอีกหน่อยเดี๋ยวพลอยก็จะรู้ไปเองคุณสายก็พูดตัดบทนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้พลอยถามต่อพลอยก็เลยเสีงไปถามถึงเจ้าคุณพ่อแทนแล้วเจ้าคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างคะคุณอาอาก็เห็นท่านสบายดีนะแต่เท่าที่อาสังเกต รู้สึกว่าท่านชราลงไปมากแต่ก็นั่นแหละรูปประทมนามประทมของอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ได้เห็นท่านนานเราก็ต้องสังเกตท่านก็คงจะมึกว่ายายสายนี่แกก็แก่ไปแยะเหมือนกันคุณสายพูดถึงตัวเองแล้วก็หวัวเราะตกเย็นวันนั้นชอยก็มากระซิบถามพลอยว่าได้เรื่องได้ราวหรือยังพลอยก็เบะหน้าตอบว่ายังคุณอาบอกว่า เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเด็กนะช้อยถ้าอย่างนั้นต้องเป็นเรื่องของเด็กแน่แนๆทีเดียวพลอยผู้ใหญ่แล้วก็เป็นอย่างนี้เสมอถ้ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเด็กก็ต้องปิดไว้ก่อนไม่ยอมบอกให้รู้ชอยดูอะไรนี่สิเจ้าคุณพ่อท่านฝากคุณอามาให้พรอยยื่นหีบหมากที่เจ้าคุณพ่อส่งมาให้ช้อยดูนะคะ ปรากฏว่าพอช้อยเห็นเท่านั้นล่ะแม่เจ้าโวยแล้วที่แม่จะถือไปกินที่ไหนกันแม่พรอยแม่ทุนหัวโอ้โหเราก็เครื่องยศท่านผู้หญิงนั่นแน่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันละช้อยช้อยถือหีหมากเอาไปวางตรงหน้าเปิดออกแล้วก็ทำท่าหยิบขี้พึ่งขึ้นสีปากอย่างหยิบโยงเลิกคิ้วชำองมาทางพรอยอย่างไวท่า ถ้าจะกินหีบหมากอย่างนี้ก็ต้องวางท่าอย่าง ท, าท่านผู้หญิงให้ถูกต้องหน่อยพลอยดูฉันไว้ดีๆนะเผื่อว่าวันหลังได้เป็นท่านผู้หญิงกับเขาบ้างจะได้ทำท่าถูกนี่สีปากท่าท่านผู้หญิงมันต้องสีอย่างนี้แล้วชอยก็ทำท่าเรียนแบบสีปากช้าๆนั่งตัวตรงๆแอ่นเอวนิดๆหน่อยเวลาสีปากก็ต้องเลิกคิ้ว ชำเลืองตากวาดไปทั่วดูว่าใครเขาจะเห็นวัสมีเราบ้างแล้วก็กินหมากกัดพลูช้าๆเหมือนกับว่ากลัวพลูมันจะยับเอาหมากพลูใส่ปากแล้วอย่าเคี้ยวนะต้องหยิบยาฝอยอย่างดีขึ้นมาสีฟันช้าๆตอนนี้จะคุยกับใครก็ได้แล้วก็เอาจุกยาที่ถืออยู่ในมือนั่นแหละออกใช้ปฏประกอบคำพูดพอยามันจืดแล้วก็เอามันทิ้งกระโถนอย่าไปจุกมันเข้า จะกลายเป็นไพ่ไปคนเขาจะไม่รู้ว่าเป็นท่านผู้หญิงพรอยเห็นและได้ฟังก็ขำเลยคะ่ะเพอาะชอยนั้นเรียนทั้งท่าทางแล้วก็เรียนทั้งเสียงได้อย่างแนบเนียนเหมือนจริงนะคะพรอยก็นั่งหัวเราะชอยนี่ถ้าไปเป็นท่านผู้หญิงจริงๆแล้วก็ ฉันเห็นจะแย่ทีเดียวท่าทางมากเหลือเกินเฮ้ใครจะไปรู้เป็นท่านผู้หญิงฉันก็ไม่เห็นมันจะยากเย็นอะไรนักหนาใครเขาก็เป็นกันได้เราก็คงจะเป็นได้เหมือนกันละพลอยข้อสําคัญพอเป็นแล้วกอดผัวให้ดีๆก็แล้วกันอย่าให้เป็นหลงเมียน้อยเสียเท่านั้นเองคืนวันนั้นคุณสายขึ้นไปเฝ้าเสด็จอยู่นานกว่าจะกลับก็ดึก และเมื่อกลับมาถึงคุณสายก็เตรียมตัวเข้านอนไม่พูดจาว่ากระไรและรุ่งขึ้นอีกวันคุณสายก็ไม่พูดถึงเรื่องที่ออกไปหาเจ้าคุณพ่ออีกเลยยังคงทำการทำงานต่างๆ ต, ต, ต่อไปตามปกติตกบ่ายพรอยก็ขึ้นไปเฝ้าเสด็จอีกครั้งหนึ่งตามที่เคยปฏิบัติทุกวันเสด็จประทับร้อยมารายนะคะพอพรอยขึ้นไปถึงก็รับสั่งให้เข้าไปใ ก, ใกล้ๆ แล้วก็ส่งใช้ให้พลอยร้อยมาลายอีกท่อนหนึ่งเพื่อที่จะต่อกับท่อนที่กําลังทรงอยู่พลอยหมอบร้อยมาลายนิ่งๆอยู่นานสเสด็จก็ไม่รับสั่งว่ากระไรข้าหลวงคนอื่นที่หมอบเฝ้าอยู่ก่อนเห็นพลอยขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆ ค, คลานถอยลงไปข้างล่างเพื่อทํากิจธุระส่วนตัวในที่สุดสเสด็จก็รับสั่งขึ้นว่า พลอยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบปดมั้งคะเร็วจริงตอนเจ้ายังเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่นั้นดูเหมือนเมื่อวันซืนนี่เองเผลอประเดียวเดียวเป็นสาวใหญ่แล้วสเสด็จทรงร้อยมาลายเงียบๆไปอีกครู่นึงแล้วก็รับสั่งต่อว่านางพลอยพ่อเจ้า เขาให้สายมาบอกข้าว่าเขาจะมาขอลาเอาตัวเจ้าออกไปแต่งงานเจ้าจะว่าอย่างไรพลอยสะดุ้งสุดตัวใจหายว่าแทบจะแทรกพื้นตำหนักลงไปด้วยความตกใจ หน้าของพลอยซีดเผือดลงทันทีที่แท้ทุระของเจ้าคุณพ่อที่ต้องตามตัวคุณสายออกไปก็คือเรื่องนี้นั่นเองพลอยไม่รู้จะคิดอย่างไรถูกไม่รู้จะทูลอย่างไรถูกพลอยวางเข็มร้อยดอกไม้ลงตรงหน้าด้วยมืออันสั่นเทารวบรวมสติเท่าที่มี แล้วก็ทูลว่าหม่อมฉันยังไม่สมัครใจมังคะทำไมนีม่เหตุอะไรหรือหม่อมฉันยังอยากจะอยู่ฉลองพระเดชพระคุณไปก่อนยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยมังคะเรื่องการมีเย่ามีเรือน เจ้าก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องมีเย่ามีเรือนถึงยังไม่เคยคิดก็ควรจะคิดเรื่องที่เจ้าคิดจะอยู่กับข้าต่อไปนั้นข้าก็ขอบใจแต่เจ้าก็ควรจะคิดให้ดีๆอายุข้าก็มากขึ้นทุกวันหมู่นี้ก็เจ็บๆไข่ๆถ้าข้าเกิดมาแล้วไม่รู้จักตายอยู่เลี้ยงเจ้าไปได้เรื่อยๆข้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ข้ากลัวข้าจะตายเสียก่อน แล้วเจ้าจะเป็นอย่างไรเจ้านายนั้นตายเร็วนักเจ้าเข้ามาอยู่ในวังก็หลายปีแล้วไม่ได้สังเกตดูบ้างหรือว่าแต่ก่อนนั้นคลึกคื้นเจ้านายอยู่เต็มทุกตำหนักขาน้ำคนหลวงก็มากมายแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดูสิตำหนักว่างลงหลายตำหนักแล้วตำหนักไหนเจ้าของตายก็ต้องปิดปล่อยให้ชำรุดสุดโซมไป คนที่เหลืออยู่ก็ไม่มีปัญญาจะซ่อมจะทำตำหนักนี้ก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นวันหนึ่งเจ้ามีโอกาสที่จะตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานดีกว่าคนอื่นเคราะเจ้ายังดีที่พ่อเขาไม่ทอดทิ้งมีเย้ามีเรือนแล้วจะได้เป็นที่พึ่งแกตัวเองสำหรับข้านั้นถึงเจ้าจะออกไปอยู่ข้างนอกถ้าเจ้าคิดถึงก็ไปมาหาสู่ได้ ไม่ใช่ว่าอยู่ไกลอะไรกันนักนะพลอยหมอบก้มหน้านิ่งน้ำตาเริ่มไหลรินออกมาอย่างกั้นไม่อยู่อ้าวดูสิพูดดีๆกลับมาบีบน้ำตาร้องไห้พวกเจ้าก็เหมือนพวกนางชาววังทั้งหลายนั่นแหละเป็นโปรกบ่อ น, น้ำตาเปิดดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้จนข้าดูไม่ออกว่าพวกเจ้าร้องไห้ทำไมกัน ไม่รู้ไปเอาน้ำหูน้ำตามาจากไหนแต่ว่าหม่อมฉันหม่อมฉันไม่อยากออกไปจากที่นี่มังคะโอ้ยดัชจริตนี่ลองข่าขัดคอไม่ยอมให้ออกไปมีลูกมีผัวกันก็จะบีบน้ำตาร้องไห้อีกนั่นแหละเที่ยวดาข่าว่ากดขี่บังคับข้ารู้หรอกนะครั้นพอข้าเอออวยเห็นด้วยก็กลับมาบีบน้ำตา คิดถึงพระเดชพระคุณไม่อยากจะออกไปข้าเอาใจใพวกเจ้าไม่ถูกหรอกพอเห็นเสด็จรับสั่งอย่างเอาจริงพลอยก็พยายามข่มใจเช็ดน้ำตาให้แห้งก่อนจะทูลว่าเจ้าคุณพ่อท่านจะยกให้ใครหม่อมฉันก็ยังไม่ทราบคิดไม่ถูกว่าจะตัดสินใจอย่างไรมังคะ เขาบอกข่าเข้ามาแล้วแต่พอข้าพูดประปรายก็ดัดริตร้องไห้เสียน้ำตาเป็นเผาเต่าข้าจะไปบอกอะไรทันละ่ะผู้ชายเขาเขาออกจะดีอายุอนามก็พอสมควรไม่เด็กไปไม่มากไปเขาเป็นมหาดเล็กรับใช้เบญสักชื่อในเปรมกกพระยาโชดึกเงินทองเขามีเยอะแยะเจ้ายังไม่พอใจอีกหรือ รู้จักเขาบ้างหรื อ, อยังพรอยนั้นตัวเย็นเหมือนน้ำแข็งเมื่อทราบว่าคุณเปรมไปสู่ขอตนกับเจ้าคุณพ่อและเจ้าคุณพ่อก็เห็นด้วยแม้แต่เสด็จก็ไม่ทรงขัดใจพรอยนั้นเป็นแรงจะว่าดีใจก็ไม่ใช่จะว่าเสียใจก็ไม่เชิงนะคะ คือเรื่องของคุณเปรมเป็นเรื่องที่พลอยก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันและการที่คุณเปรมไปสู่ขอพลอยจริงๆเนี่ยจะว่าไปพลอยก็ไม่ได้แปลกใจนะักพอรู้แน่ว่าสักวันหนึ่งก็คงจะเป็นเช่นนั้นเคยเห็นหน้ากันมังคะแต่ไม่เคยรู้จักพูดจา ก, กันแล้วยังไงหม่อมฉั้นไม่เคยนึกรักใครเขาเลยมังคะชาไปเอาความรักขึ้นมาอ้าง ก็เจ้าอยู่ในนี้จะไปเที่ยวรักกับผู้ชายได้อย่างไรกันถึงจะรักไม่รักนั้นไม่สำคัญหรอกอยู่กินกันไปแล้วก็รักกันไปเองข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ของเจ้าเขาเห็นสมควรจะปลูกฝังให้เจ้าเป็นหลักฐานเจ้ารู้สึกว่ามีหน้าที่จะต้องทำตามผู้ใหญ่หรือเปล่าละ่ะที่ผู้ใหญ่เขาคิดจัดการให้ก็เพราะเขารักเจ้าจึงอยากจะให้เจ้าได้ดี คิดดูให้ดีๆเถิดพรอยสมมติว่าเจ้าได้ผัวที่รักใคร่กันมาก่อนเจ้าไปอยู่กับเขาก็มีแต่ความรักของเจ้าเองกับของเขาเป็นหลักถ้าวันไหนหมดรักกันขึ้นมาก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้แต่ถ้าได้ผัวที่ผู้ใหญ่ปลูกฝังให้เห็นดีพร้อมกันทุกฝ่ายเจ้าก็จะอยู่กันไปเพราะมีความรักของพ่อแม่เป็นหลัก เจ้ามีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ผู้ใหญ่เห็นดีเจ้าก็จะอยู่กันไปยืดเพราะความรักความเจตนาดีของพ่อแม่นั้นไม่มีที่สิ้นสุดเจ้าจะว่าอย่างไรพรอยเองก็ไม่รู้จะทูลตอบอย่างไรถูกดูเหมือนว่าเสด็จก็มีพระประสงค์ที่จะให้พรอยออกไปมีเรือนตามแต่เจ้าคุณพ่อจะเห็นดี พลอยนั้นถูกเลี้ยงโดยรับการอบรมมาแต่เล็กนะคะให้เป็นคนที่เชื่อฟังกตัญญูไม่ให้ขัดพระประสงค์เจ้านายและเมื่อโตขึ้นมาก็ได้เห็นแต่พระเมตตาของเสด็จจนรู้สึกอยู่ในใจของตนอยู่เสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่จะญาิเกินไปหรือสุดวิสัยในการที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์แต่เรื่องที่จะต้องแต่งงานกับคุณเรพรมพลอยก็ยังลังเลอยู่มากจะทูลขัดขืนต่อไป ก็ให้เกรงเสียเป็นที่สุดเอกรั้นจะทูลตอบตกลงหรือก็อายไม่สามารถจะออกปากได้พล่อยก็นิ่งอึดอักอึกอัดในที่สุดก็ทูลว่านิสัยใจคอของเขาจะเป็นอย่างไรหม่อมชันก็ยังไม่ทราบยังนึกกลัวอยู่อยากจะขอผลัดเวลาตอบไปอีกกลัวอะไรกันถ้าเจ้ากลัวว่าจะเป็นแม่เรือนให้เขาไม่ได้เจ้าไม่ต้องวิตกในคอนั้น ข้าไม่ได้เลี้ยงเจ้ามาเปล่าๆแต่คอยดูแลอบรมสั่งสอนเจ้าอยู่เสมอถ้าจะพูดถึงวิชาความรู้ทางการบ้านการเรือนเจ้าก็ไม่น้อยหน้าใครพูดถึงสกุลรุนชาติเจ้าก็นับว่าดีกว่าคนอื่นๆอีกมากถ้าจะพูดถึงสมาคมที่เจ้าเดิผ่านมาแล้วเจ้าก็เคยอยู่ในที่สูงได้รู้ได้เห็นอะไรมามากเจ้าจะไปกลัวอะไรนักนะ ถ้าจะวิตกถึงฝ่ายผู้ชายเจ้าก็ควรจะคิดดูให้ดีว่าผู้ใหญ่ของเจ้าเขาพร้อมใจเห็นว่าดีแต่เจ้าก็คงจะนึกอย่างเด็กสมัยนี้ว่าผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องเป็นคนโบราณคลําคลื้หรือไม่อย่างนั้นก็คงจะเห็นแก่ได้เห็นเขาร่ํารวยก็จะยกลูกให้เขาไปถ้าเจ้านึกอย่างนั้นเจ้าก็ขอใจผิดจะควรจะนึกว่าผู้ใหญ่นั้นรักเจ้า เจตนาดีต่อเจ้าเสมอก่อนที่ผู้ใหญ่จะปรงใจเห็นดีเขาก็คงจะคิดแล้วคิดอีกว่าผู้ชายเขาเป็นคนดีจะพอเลี้ยงเจ้าให้มีความสุขได้หรือไม่เขาคงไม่ดูแต่เพียงลูกลวกแต่ต้องดูจนละเอียดละออถ้าผู้ชายไม่ดีจริงใครเขาจะไปยกลูกสาวให้พ่อของเจ้าก็ไม่ใช่คนยากคนจนที่จะแต่งลูกสาวเพื่อหวังสมบัติ และชาวทีข้ารู้จักเข้ามาก็เป็นคนละเอียดทำอะไรไม่ผิดพลาดจะมียุ่งยุ่งก็แต่เรื่องที่เกี่ยวกับนางแม่ของเจ้าเท่านั้นแต่ข่ารู้จักนางแช่มดีมันเลี้ยงยากจะไปติเข้าฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้เสด็จทรงนิ่งร้อยมาลัยต่อไปอีกครู่ใหญ่ๆแล้วก็รับสั่งขึ้นอย่างเด็ดขาดว่าเออ ข้าก็เพ้อไปคนเดียวตั้งนานแล้วว่าไปจริงๆก็ไม่ใช่กองการอะไรของข้าข้าสั่งให้เขาไปบอกพ่อเจ้าว่าข้าไม่ขัดข้องถ้าเจ้าจะยังไม่ตกลงปร่งใจหรือจะอารวาสกันอย่างไรอีกก็ไปพูดกันเอาเองตามประษาพ่อลูกเถอะจากนั้นพลอยก็หม่อบร้อยมาลัยถวายไปจนเสร็จและเสด็จก็มีได้รับสั่งถึงเรื่องนั้นอีก คงรับสั่งเรื่องอื่นต่อไปเหมือนกับจะประธานโอกาสให้พลอยคิดตัดสินใจเองในขั้นสุดท้ายแต่ว่าเสด็จนั้นบอกกับพ่อพลอยไปแล้วนะคะว่าพระองค์ไม่ขัดข้องกลับจากเฝ้าเสด็จพลอยก็สวนกับช้อยที่บันไดตำหนักช้อยก็รู้เลยทันทีนะคะเมื่อเห็นสีหน้าไม่ปกติของพลอยก็เลยตัดสินใจ ไม่ขึ้นไปเฝ้าแต่เดินตามพลอยเข้ามาในห้องคุณสายไม่อยู่ทั้งสองคนจึงได้พูดกันตามลําพังชอยก็ถามทันทีว่าพลอยเป็นอะไรหน้าตาไม่ค่อยดีถูกเสด็จกริ้วหรือเปล่าเปล่าหรอกชอยฉันกลุ้มใจมากเท่านั้นเองเอา้าวมีเรื่องอะไรกลุ้มใจอีกล่ะพลอยก็มองไม่เห็นทางอื่น นอกจากจะเล่าเรื่องให้ช้อยฟังโดยตลอดเป็นคนแรกนะคะแต่พอเริ่มเล่าเรื่องไปได้หน่อยนึงยังไม่ทันจะบอกว่าใครเป็นผู้ที่ไปสู่ขอตนจากเจ้าคุณพ่อช้อยก็ทักขึ้นก่อนว่าเดี๋ยวก่อนพรอยไม่ต้องเล่าละเอียดหรอกพอเปรมโฉมเอกนั่นใช่ไหมล่ะพอพลอยพยักหน้ารับคำช้อยก็เอามือปอบขาตนดังฉาดแล้วก็อุทานบอกว่าแหม ฉันนึกไว้แล้วไม่มีผิดทีเดียวมันสังหรณ์ใจมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วนี่พรอยจะทำอย่างไรต่อไปฉันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถูกช้อยอยากจะปรึกษาช้อยอยู่เหมือนกันฉันเกิดมาเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีใครนอกจากเจ้าคุณพ่อและเสด็จท่านมีพระเดชพระคุณแก่ฉันมากมายสุดที่จับประมาณเจ้าคุณพ่อท่านก็ให้กำเนิดเสด็จก็ทรงชุบเลี้ยงมาจนเป็นตัว ใจฉันเองฉันยังไม่คิดที่จะมีเย่ามีเรือนเลยแล้วคุณเปรมฉันก็ไม่รู้จักอยู่ๆฉันจะไปแต่งงานกับเขาอย่างไรได้แต่ถ้าฉันบอกปัดไปฉันก็จะต้องขัดใจเจ้าคุณพ่อและขัดพระไทยเสด็จกลายเป็นคนเนระคุณถึงใครก็จะไม่ว่าฉันก็คงจะตำหนีตัวเองไปจนตายแต่ครั้นฉันจะรับปากไปฉันก็ไม่แน่ใจว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร ฉันกลัวเหลือเกินชอยช่วยฉันคิดบ้างเถอะฉันไม่รู้จะคิดอ่านอย่างไรถูกแล้วเอฉันก็ไม่รู้จะแนะนำอย่างไรเหมือนกันนะดีไม่ดีแนะนำไปผิดตามระษาของฉันพร้อยก็จะมาซัดได้ทีหลังอีกชอยเห็นอย่างไรก็พูดออกมาเถอะฉันไม่ซัดหรอกเพราะช้อยจะพูดผิดหรือพูดอย่างไร ฉันก็จะคิดเอาเองอยู่ดีชอยก็นั่งคิดอยู่นานค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยเห็นชอยใช้เวลาคิดนานถึงเพียงนี้และในที่สุดชอยก็บอกว่าจะผิดหรือว่าจะถูกฉันก็ไม่รู้นะพลอยแต่ถ้าเป็นใจฉันฉันก็จะตามผู้ใหญ่โอ้โหชอยพูดออกมาแบบนี้นะคะพลอยนี่งงไปเลยมึนตืบเพราะไม่นึกว่าชอย ซึ่งชอบขัดขืนคนอื่นชอบมีความเห็นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่คือชอบขัดใจผู้ใหญ่อยู่บ่อยๆจะตัดสินใจตกลงง่ายๆแบบนี้พลอยถ้าจะแปลกใจละสิแต่ฉันคิดอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้นึกถึงเรื่องเด็กเรื่องผู้ใหญ่อะไรหรอกแต่ฉันนึกเอาง่ายๆอย่างนี้ถ้าฉันจะมีเรือนฉันก็อยากจะได้คนที่เขารักฉันจริงไม่ทอดทิ้งคุณเปรมนะ่ะ เขาติดตามพลอยมาหลายปีนะพยายามจะเข้ามาถึงตัวด้วยวิธีต่างๆแต่พลอยก็ไม่เล่นด้วยฉันเองก็เคยไปด่าเขาต่อหน้าต่อ ต, อตาถ้าเป็นคนอื่นเขาก็คงจะเลิกความคิดไปนานแล้วแต่นี่กลับพยายามไม่เลิกเข้าหาจนถึงผู้ใหญ่แล้วอีกอย่างหนึง่งฉันอยากให้พลอยมีเรือนคนบางคนเขาทิ้งแม่พลอยไปง่ายๆเหมือนกับว่าเราไม่สําคัญจะได้รู้ตัวกันเสียบ้างว่า เราก็ไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกนี่แหละค่ะประโยคเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะคะคำพูดของช้อยวักสุดท้ายดูเหมือนว่าจะมาสกิดหัวใจพลอยอย่างแรงทำให้พลอยสิ้นความสงสัยและเกิดมานะขึ้นทันทีช้อยพูดถูกการกระทําของพี่เนื้องที่แล้วมาบ่งให้เห็นชัดว่า พลอยเป็นคนไม่สำคัญพี่เนื่องนึกจะทำอะไรก็ตามแต่ใจตัวพลอยมีได้เป็นเครื่องเหนียวรั้งหรือเป็นคนที่พี่เนื่องจะต้องคำนึงเลยจริงๆพลอยก็ไม่เคยรู้สึกโกรธพี่เนื่องหรือมีความอาฆาตแม้แต่น้อยแต่ความรู้สึกว่าตนเองหมดความสำคัญนั้น เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่อยู่ในหัวใจของพลอยพลอยพิจารณาความรู้สึกของตัวเองก็พบความจริงว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคุณเปรมหรือความเข้าใจว่าคุณเปรมยังสนใจในตนอยู่ได้เป็นเสมือนเครื่องทวงมิให้พลอยต้องปรงใจไปแน่นอนว่าตนนั้นมิได้มีความสำคัญสำหรับใครเลยในโลก ถา จ, จะเปรียบหัวใจพลอยเหมือนกับเรือน้อยที่กําลังแล่นฝ่ากระแสทานอันเชี่ยวกรากของชีวิตการกระทําของที่เนื่องนั้นเกือบจะทําให้เรือเสียหลักแทบจะล่มแต่ความสนใจของคุณเปรมซึ่งพลอยนึกว่าตนไม่นิยมยินดีกลับเป็นสิ่งที่ช่วยประคองให้เรือน้อยนั้นแล่นฝ่าคลื่นลมมาได้พลอยไม่เคยนึกอย่างนี้มาแต่ก่อนแต่คําพูดของช้อยเพียงไม่กี่คํากลับทําให้ พลอยนั้นนึกได้ชอยพูดถูกคนที่เขาทิ้งเราไปง่ายๆเหมือนกับว่าเราไม่สำคัญจะได้รู้ตัวกันเสียบ้างว่าเราก็ไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตออีกอย่างทั้งเจ้าคุณพ่อและเสด็จก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าคุณเปรมนั้นคู่ควรผู้มีพระคุณเพียงสองคนในชีวิต ปรารถนาจะให้พลอยแต่งงานกับคุณเปรมทั้งสองท่านไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากพลอยเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวครั้งนี้เป็นครั้งเดียวที่ท่านแสดงความปรารถนาให้ปรากฏชัดพลอยจึงรู้สึกว่านี่คือหน้าที่ที่ตนจะหลีกเลี่ยงมิได้ คุณสายเดินกลับจากห้องเครื่องเข้ามาในห้องเงีย บ, เยบๆเห็นพลอยนั่งอยู่กับช้อยสองคน<ๆ>ก็ถามขึ้นว่าพลอยเสด็จรับสั่งอะไรด้วยหรือเปล่ารับสั่งแล้วค่ะคุณป้าฉันกําลังปรึกษาช้อยเขาอยู่ค่ะแม่เอ้ยไม่ที่ปรึกษาใหญ่แล้วหล่อนให้คําปรึกษาหาหรือว่าอย่างไรบ้างละ่ะถ้าจะดีๆทั้งนั้นละสิผู้ใหญ่จะเห็นดีอย่างไรก็ต้องขัดคืนไว้ก่อนกระมัง แน่ดูคุณอาสิหาความฉันต่อเปล่ า, ลาฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักทีเห้ยไม่ต้องปิดฉันหรอกฉันรู้หรอกนะว่าคนสมัยนี้ก็เป็นอย่างไรกันผู้ใหญ่จะพูดจะแนะนำอย่างไรก็ต้องทะเลทลายไปเสียให้ตรงกันข้ามไม่งั้นไม่โกไม่เก๋กลายเป็นคนหูโบราณคลํำครึคนอย่างหล่อนนะ่ะพออาปากออกมาฉันก็เห็นขี่ฟันซะแล้ว คือภาพพูดของชอยก็เป็นอย่างนั้นนะคะชอยก็เลยแบบอืแม um, ่แต่ปรากฏว่าแทนที่ชอยจะโกรธแล้วก็ตีโพยตีพายอย่างเคยนะคะชอยกลับสะกิดพลอยแล้วก็บอกว่าพลอยช่วยบอกคุณอาทีเถอะว่าฉันพูดว่าอย่างไรฉันพูดเองเท่าไหร่ก็คงไม่มีวันเชื่อฉันมันคนขี้ฟันมากเสียแล้ว ช้อยเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกคะ่ะคุณป้าเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวเขาเขาก็จะตามใจผู้ใหญ่สุดแล้วแต่ท่านจะเห็นดีคุณสายสุดตัวลงนั่งตีหน้าเหมือนกับว่าไม่เชื่อหูตนเองโอ้ยอย่ามาแก้ตัวแทนกันเลยฉันไม่เชื่อหรอกคนอย่างยายช้อยพูดอย่างนั้นก็ผิดไปละเอาจริงๆนะคะคุณป้าคุณสายมองดูช้อยอย่างชงดสนเทพช้อย เป็นอะไรไปหรือเปล่าไม่สบายหรือชอยก็หัวเราะเป็นโรคที่ฟันมากยังไงล่ะคะคุณอาก็รู้อยู่แล้วนี่คุณสายค้อนขวับโอ้วันนี้ถ้าจะฝนตกใหญ่ทีเดียวของไม่เคยเป็นก็เป็นไปได้ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแล้วคุณสายก็หันมาหาพลอยถามว่าเสด็จรับสั่งว่าอย่างไรบ้าง พลอยก็ตอบไปว่าสเสด็จรับสั่งว่าไม่ทรงขัดข้องแล้วแต่จะไปตกลงกันเองระหว่างพรอยกับเจ้าคุณพ่อคุณสายก็เลยถามต่อว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยพลอยคิดอย่างไรนะคะพลอยก็บ่ายเบียงไม่ยอมตอบ ป, ปัญหาคุณสายละค่ะเพราะจะตอบว่าตกลงใจอย่างที่คิดไว้แหมก็อายเหลือเกินนะคะพรอยก็เลยโยนปัญหากลับไปบอกว่า ฉันก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรสุดแล้วแต่คุณป้าจะเห็นสมควรเพราะคุณป้าก็เลี้ยงฉันมาแต่เล็กๆคุณสายมองดูพลอยแล้วก็ปลื้มนะคะยิ้มป้าไม่กล้าตัดสินใจอะไรทั้งนั้นแหละพลอยสเสด็จวันนี้ท่านกระรับสั่งดีอยู่แต่ถ้าป้าเข้าไปเกี่ยวข้องในตอนนี้ทีหลังเกิดมีอะไรไม่พอพระทัยขึ้นมาหรือท่านเกิดคิดถึงพลอย ท่านก็จะมาด่าเอาป้าเข้าว่านางสายมันหาผัวให้คนของท่านจนท่านไม่มีใครให้ใช้ป้าไม่พูดร้องเค็ดแล้วถ้าจะให้ดีแล้วก็พลอยเก็บเอาไว้พูดกับเจ้าคุณพ่อท่านเองดีกว่าท่านสั่งเข้ามาว่าอีกสองสาวันจะให้แม่เชยมารับออกไปบ้านท่านอยากจะพูดเรื่องนี้กับพลอยเองป้าทูลเสด็จไว้แล้ว คำพูดของคุณสายก็ทําให้พลอยโล่งใจขึ้นอีกมากนะคะเพราะว่าไม่ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างไรต่อไปอีกเมื่อถึงเวลาที่คุณเฉยมารับพลอยก็จะได้ออกไปหาเจ้าคุณพ่อที่บ้านแล้วก็คงจะเรียนให้ท่านทราบว่าพลอยจะปฏิบัติตามใจท่านทุกอย่างซึ่งพลอยจะพูดได้แต่กับท่านคนเดียวเท่านั้นปรากฏว่า ข่าวเรื่องพลอยจะออกไปมีเรือนกระจายไปทั่วอย่างไม่น่าเชื่อนะคะคือทีแรกก็ดูเหมือนจะมีคนรู้เรื่องไม่กี่คนแต่ในที่สุดก็รู้กันไปทั่วในหมู่คนรู้จักถึงแม้ว่าจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ตรงๆกับพลอยแต่ทุกคนก็พูดกันให้เป็นที่เข้าใจว่าพลอยเป็นคนโชคดีควรจะยินดีและอยู่ในฐานะที่จะต้องรับความยินดีจากคนอื่น คุณเชยเข้ามารับพลอยไปบ้านเพื่อไปพบกับเจ้าคุณพ่อตามที่นัดไว้แล้วก็บอกให้รู้ว่าไปพบเพียงครู่เดียวแล้วก็จะพากลับมาส่งในวังก่อนประตูปิดเมือ่อทูลาเสดร็จแล้วพรอยก็ออกจากวังไปลงเรือโดยมีนางพิษตามหลังไปอยากไม่เต็มใจ ระหว่างที่นั่งอยู่ในเรือคุณเชยก็บอกพลอยว่าแม่พลอยไปบ้านคราวนี้ฉันขออะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมได้สิคุณเชยคุณเชยจะขออะไรฉันอยากขอให้แม่พลอยอย่าไปเกี่ยวข้องกับคุณอุ่นเธอเลยได้ไหมเอ๊ะทาไมก็ฉันก็ไม่เคยไปเกี่ยวอะไรกับเธอสักทีเพียงแต่ไปถึงก็ไปไหว้ก่อนจะกลับก็ไปลาเพราะถึงอย่างไรเธอก็เป็นพี่ ก็เท่านั้นเองไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย น, นี่นาคุณเชยเพียงเท่านั้นก็เถอะคราวนี้อย่าไปทําดีกว่าเราไปถึงก็ไปหาเจ้าคุณพ่อและแม่พลอยก็มาที่ห้องฉันกินข้าวเสียที่นั่นฉันจะพามาส่งฉันขี้เกียจมีเรื่องมีเรื่องอะไรหรือคุณเชยพลอยก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองคุณเชยก็เลยบอกว่าคุณอุ่นหมูน่นี้เป็นอย่างไรก็ไม่รู้ ที่ผ่านมาคุณอุ่นมักจะพูดอยู่เสมอว่าชาตินี้เธอจะไม่แต่งงานเพราะเธอไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่จะคู่ควรกับเธอแล้วเธอก็กะว่าตั้งใจว่าเธอจะอยู่กับเจ้าคุณพ่อไปจนกว่าจะตายจากกันคุณเชยก็ถามพลอยว่าจําได้ไหมพลอยก็บอกว่าจําได้แต่ก็ยังนึกไม่ออกว่ามันเกี่ยวอะไรกับการที่คุณเชยเนี่ยจะห้ามพลอยไม่ให้ไปไม่ให้ไปทักแล้วก็ ไปลาคุณอุ่นนะคะคือไม่ให้ไปเจอคุณเฉยก็เลยต้องอธิบายยาวเลยล่ะค่ะว่านั่นสิฉันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเหมือนกันนะแต่คุณอุ่นน่ะใครจะมีอะไรเกินกว่าเธอเป็นไม่ได้เป็นต้นว่าเธอไม่มีผัวคนอื่นอย่างฉันอย่างแม่พลอยก็มีไม่ได้เหมือนกันเธอเห็นเป็นบาป ก, กรรมอย่างหนักทีเดียวละ่ะ โดยเฉพาะตอนที่แม่พลอยมีคนมาสู่ขอและยิ่งเจ้าคุณพ่อท่านเออ อ, อ์ด้วยเธอก็ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่แต่เธอไม่กล้าขัดใจท่านก็ได้แต่มาไล่เบีย้ยเอากับน้องๆ อ, อย่างฉันฉันก็ต้องหลีกเลี่ยงเธออยู่ทุกวันพอไม่ให้เกิดเรื่องเท่านั้นแต่ฉันกลัวว่าแม่พลอยไปถึงบ้านแล้วถ้าไปให้เธอเห็นหน้าเธอก็จะ ก, กรีดทีเดียวและแม่พลอยจะไปทนไหวหรอถึงแม่พลอยทนไหวฉันก็ทนไม่ไหว เกิดเรื่องกันขึ้นก็จะร้อนใจกันเปล่าๆที่สำคัญก็จะไปร้อนใจเจ้าคุณพ่อท่านด้วยแล้วอีกอย่างแม่พลอยไปบ้านวันนี้ก็จะไปประเดียวเดียวใช่ว่าจะไปอยู่นานอย่างคราวก่อนแล้วจะไปให้เกิดเรื่องเกิดเปล่าทไมร้อนใจเปล่าๆถ้าคุณเชยเห็นว่าฉันไม่ควรจะไปหาเธอฉันก็จะไม่ไปแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจจริงๆว่าคนอย่างคุณอุ่นทาไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้ แล้วก็ใช่ว่าฉันจะวิ่งเต้นจะไปมีลูกมีผัวเองเสเมื่อไหร่กันเรื่องของผู้ใหญ่ท่านจัดการทั้งนั้นคุณเชยถ อ, อนใจใหญ่ถือคงไม่มีใครเข้าใจคุณอุ่นนะนะคะแม่พรอยฉันเองก็ไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างเหมือนกันแต่ในใจฉันนั้นยังนึกอยู่เสมอว่าคนอย่างคุณอุ่นถ้าเธอมีเรือนเสียได้ก็คงจะดีมากทีเดียวบางทีเธอจะไม่เป็นคนพาณแบบนี้ แต่ใจจริงฉันว่าเธอก็อยากจะมีเรือนกับเขาเหมือนกันนั่นแหละแต่มันติดอยู่นิดเดียวตรงที่ไม่มีใครเข้ามาขอคุณเฉยพูดแล้วก็หัวเราะคุณเฉยเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ถึงมาขอเธอก็คงไม่ตกลงกระมังใครก็จะกล้ามาขอพอเห็นสีหน้าเขาก็เปิดหนีหมดแล้วละพลอยน่ากลัวออกคนเราถ้าทำตัววิเศษจนเกินไปบางทีก็ลำบากเหมือนกันนะ แล้วคุณเชยล่ะไม่คิดมีเรือนบ้างเหรอคุณเชยหัวร้อยอย่างใจเย็นอย่ามาห่วงฉันเลยแม่พลอยฉันไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ตัวคนเดียวก็สบายดีถมไปยิ่งได้เห็นน้องสาวฉันมีเย่ามีเรือนเป็นหลักฐานฉันก็สบายใจพอแล้วแก่ลงไปจะได้ฝากตัวฝากผีกับแม่พลอยนี่หละพลอยก็ใจเต้นขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินคาพูดของคุณเชย และก็เริ่มเห็นว่าตนเองมีภาระที่จะต้องเอาใจและปฏิบัติให้อยู่ในฐานะเป็นที่พึ่งที่พํานักแก่พี่น้องที่ตนรักอีกหลายคนความไม่แน่นอนแห่งอนาคตดูเหมือนจะเบาบางลงไปเพราะหน้าที่ที่พลอยรู้อยู่แล้วนั้นบอกบังคับว่าพลอยจะต้องทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้สมกับความรักและความดีของคุณเชยที่มีต่อตนตลอดมา พอใกล้จะถึงบ้านคุณเฉยก็บอกว่าคราวนี้เจ้าคุณพ่อท่านสบายใจมากเพราะไม่พลอยคนเดียวฉันขอบใจเหลือเกินเจ้าคุณพ่อออกมานั่งคอยรับพรอยอยู่ที่หน้าตึกเมื่อไปถึงพรอยก็สังเกตเห็นว่าท่านปิติลื่มใจมากทําให้พลอยรู้สึกดีใจที่ตนเป็นคนทําให้เจ้าคุณพ่อได้รับความพอใจและก็มีความสุข สเสด็จทรงสบายดีหรือพลอยเจ้าขุณพ่อถามขึ้นและเมื่อพรอยตอบรับว่าสเสด็จทรงสบายดีท่านก็ไต่ถามทุกสุขแล้วก็คุยเรื่องอื่นๆอยู่อีกนานจนคุณเชยกระซิบว่าแม่พลอยอยู่คุยกับเจ้าคุณพ่อก่อนนะฉันจะไปสั่งให้เขาหาข้าวให้กินเมื่อคุณเชยหลีกไปแล้วเจ้าคุณพ่อก็นั่งมองพรอยอยู่อีกครู่หนึ่ง แล้วก็ปลารอบขึ้นว่าพรอยเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวทีเดียวพ่อไม่ได้พบนานแปลกตาไปมากเมื่อรุ่นสาวเคยนึกว่าพรอยโตขึ้นจะเหมือนแม่แต่มาเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแม่ของพรอยเขาสวยผาดพลสวยด้วยท่าทางและเวลาพูดจะมีเสน่ห์ แต่พรอยสวยกว่าเพราะถึงจะอยู่นิ่งๆไม่พูดจากับใครพรอยก็ยังดูสวยอยู่นั่นเองพรอยได้แต่ยิ้มไม่ทราบว่าจะตอบด้วยถ้อยคำอย่างไรถูกเจ้คุณพ่อเปลี่ยนท่านั่งกระแอมกระอายอยู่อีกครู่หนึ่งจุดบุรีสูบหนึ่งตัวแล้วก็ถามขึ้นมาเบาๆเหมือนไม่อยากให้ใครได้ยินว่าพรอยเรื่องที่พ่อให้แม่สายเข้าไปทูลเสด็จนั้นท่านรับสั่งว่าอย่างไร ท่านรับสั่งว่าไม่ทรงขัดข้องแล้วแต่แล้วแต่ดิฉันจะตกลงกับเจ้าคุณพ่อเอาเองเจ้าคุณพ่อฟังแล้วก็นิ่งอึ้งไปอีกครู่หนึ่งเหมือนกับจะตรึกตรองเลือกหาคำพูดว่าจะพูดกับพลอยว่าอย่างไรดีในที่สุดก็เอ่ยขึ้นว่าแล้วพลอยเห็นว่าอย่างไรพ่ออยากให้พลอยรู้ตัวเสียก่อนว่าพ่อไม่บังคับ เรื่องจะมีย่าวมีเรือนเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของพลอยจะต้องคิดเอาเองให้มากอยู่พอเป็นผู้ใหญ่ก็ได้แต่คิดให้เพราะอยากจะให้ลูกได้ดีแต่ถ้าถามพ่อพ่อก็ต้องบอกว่าพลอเห็นเขาสมควรทุกอย่างถ้าพลอยได้คนอย่างเขาพ่อก็คงจะนอนตายตาหลับแต่นั่นแหละถ้าเผื่อว่าพลอยยังมีอะไรติดขัดก็บอกพ่อได้อย่ากลัวบอกมาเถอะนะ พ่อไม่ว่าพลอยนั้นตกลงอยู่แล้วนะคะแต่ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็นั่งกลมหน้าอยู่นานใจนั้นอยากจะบอกให้ท่านรู้ว่าตนยอมสนองความตั้งใจของท่านเพราะอยากจะสนองคุณให้ท่านสบายใจและเมื่อมีเรือนแล้วก็จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อมีให้ท่านต้องผิดหวังหรืออับอายขายหน้า คนที่พลอยจะต้องแต่งงานด้วยนั้นจะเป็นคุณเปรมหรือว่าคนอื่นที่ไหนก็ตามถ้าเจ้าคุณพ่อเห็นดีแล้วพลอยก็จะตามใจท่านทั้งสิ้นเพราะเดี๋ยวนี้พลอยถือว่าการมีเรือนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีพระคุณมิใช่เรื่องที่จะต้องตามใจตัวเองอีกต่อไปแต่พอถึงเวลาที่จะพูดเข้าจริงพลอยก็ไม่สามารถจะบรรยายความคิดต่างๆนั้นให้ออกมาเป็นคาพูดได้พลอยได้แต่ก้มตัวลงหมอบ เพื่อให้หน้าที่กำลังก้มมองดูกระดานนั้นชิดกระดานเข้าไปอีกแล้วก็ได้ยินเสียงตัวเองตอบเจ้าคุณพ่อว่าแล้วแต่เจ้าคุณพ่อจะเห็นสมควรเถอดเจ้าภาพลูกไม่ขัดพอพูดออกไปแล้วเลือดก็วิ่งขึ้นหน้าสู้ใหญ่ทำให้พลอยต้องหมอบก้มหน้าไปอีกจนเกือบจะติดกระดาน เจ้าคุณพ่อหัวเราะเบาๆอย่างพอใจอย่าอับอายไปเลยเพลอยของอย่างนี้เป็นของธรรมดาพอดีใจนักที่ลูกอยู่ในโอวาทเป็นบุญของเจ้าที่ได้อยู่ทันสนองคุณพ่อแล้วก็เป็นบุญของพ่อที่ได้ปลูกฝังเจ้าทันตาเห็นพลอยเป็นคนเชื่อฟังผู้ใหญ่ดีแล้วพ่อแน่ใจว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อพลอยตกลงใจก็จะได้บอกรักมั่นเข้าไป เอ๊ะแล้วนี่แม่เชยเขาหายไปไหนเสียนานถ้าจะไปอยู่ในห้องกระมังพลอยไปคุยกับพี่พี่น้องๆให้สบายใจเถิดลูกนานๆจะได้กลับบ้านสักทีเห็นแม่เชยเขาบนคิดถึงอยู่พ่อจะเก็บเอาไว้นานเดี๋ยวเขาจะหาว่าห่วงลูกสาว คลานผ่านเจ้าคุณพ่อไปตามเฉลียงหน้าตึกแล้วก็เข้าไปในห้องคุณเฉยคุณเฉยนั่งอยู่ในห้องกับหวานผู้เป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งเป็นลูกของแม่แววเมียอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้หวานก็โตขึ้นถนัดใจเรียกได้ว่าเป็นสาวแล้วที่พอสังเกตว่ายังเป็นเด็กสาวอยู่เพราะว่าหวานยังไม่ได้ตัดผมแต่ยังไว้ผมยาวปล่อยผมข้างหลังยาวเพียงบา ผมข้างหน้าเกล้าเป็นผมโปรงตามสมัยนิยมในขณะนั้นคุณเฉยเห็นพลอยเข้าไปในห้องก็บอกหวานให้หาน้ําให้พลอยลูบตัวล้างหน้าให้หายร้อนแล้วก็บอกให้พลอยลองทานน้ําอบขวดหนึ่งที่คุณเชยบอกว่าหอมนักเพิ่งได้มาใหม่ๆหวานก็มาขอร้องฉันหลายวานละละันแล้วล่ะว่าทําไม่พลอยมาถึงบ้านเขาจะมาคุยด้วย ทีแรกฉันไม่ยอมเพราะกลัวจะลาบากแต่แล้วก็สงสารเลยเอาตัวมาไว้ด้วยแม่พลอยกลับแล้วก็คงจะเกิดเรื่องกันอีกฉันกลุ่มใจจริงๆพลอยหันไปยิ้มกับหวานและวหวานก็ยิ้มตอบด้วยความรักความเลื่อมาสอย่างจริงใจคุณเชอไม่พูดเรื่องแต่งงานกับพลอยเลยแต่ชวนพูดชวนคุยเรื่องอื่นตลอดเวลาและเมื่อกินข้าวเสร็จแล้ว พลอยคุณเชยหวานก็ยังนอนเอกเนกคุยกันอยู่อีกนานชวนกระทั่งเวลาบ่ายคุณเชยก็ชวนพลอยไปลาเจ้าคุณพ่อเพื่อกลับเข้าวังอย่างที่ได้คุยกันไว้เจ้าคุณพ่อเดินออกมาส่งพลอยที่เฉลียงหน้าตึก และเมื่อพลอยเงยหน้าขึ้นหลังจากที่กราบลาเจ้าคุณพ่อก็ส่งถุงเงินให้ถุงหนึ่งพลางบอกว่าพลอยคงจะต้องการใช้เงินบากในระหว่างนี้เงินนี่ของพ่อให้พลอยจะใช้จ่ายซื้อหาอะไรที่จำเป็นก็ไปปรึกษาแม่สายเขาดูพลอยรับเงินจากเจ้าคุณพ่อแล้วก็ก้มลงกราบอีกครั้ง แล้วก็เดินมากับคุณเชยลงจากตึกมาที่ท่าน้ำพอเพิ่มนั่งอยู่บนม้ายาวที่ท่าน้ำอย่างสบายอารมณ์กำลังคุยกับนางพิษพอพลอยเดินเข้าไปใกล้พ่อเพิ่มก็บอกว่าแหน่ ä, แม่พลอยมาแล้วจะกลับหรือแม่พลอยจริงๆแล้ววันนี้พ่อเพิ่มก็หน้าแดงด้วยฤทธิ์เล้านะคะแต่ก็ยังอยู่ในขั้นที่ผู้ชายได้เป็นปกติไม่ถึงขั้นอารวาด แรกพลอยนึกว่าจะไม่ยอมพูดกับพ่อเพิ่มเพราะว่ายังนึกเคืองเรื่องที่เราแล้วมาไม่หายแต่เมื่อนึกถึงอีกทีหนึ่งก็เลยตะ呵ไปว่าพ่อเพิ่มสบายดีหรอถ้าจะเพิ่งกลับมาถึงกระมังฉันจะกลับเข้าวังอยู่เดี๋ยวนี้แล้วฉันกลับมานานแล้วละเจอพิษเขานั่งอยู่ที่นี่คนเดียวก็เลยนั่งคุยกับเขาจะขึ้นไปหาบนตึกก็กลัวจะถูกไล่ลงมา ดูพ่อเพิ่มพูดสิชอบพูดบอๆ อ, อย่างนี้เสมอเลยขึ้นไปใครเขาจะไล่น้องนุ่งมาก็มีมีแก่ใจจะไปหาแล้วยังจะมาแก้ตัวเที่ยวซัดคนอื่นเขาอีกคุณเชยท้วงขึ้นนะคะพ่อเพิ่มก็หวัวเราะคุณเชยแล้วก็ดูฉันสเสลื่อยทีเดียวที่ฉันไม่ขึ้นไปก็เพราะเห็นว่าอีกประเดี๋ยวก็คงจะได้พบกันฉันจะได้นั่งเรือไปส่งด้วยคนคุยกันในเรือก็ได้ อีกอย่างหนึง่งแม่พลอยกับชั้นนี่ต่อไปจะไปมาหาสู่กันทุกวันก็ยังได้ไม่ลำบากเหมือนเดี๋ยวนี้จริงไหมพิษพอเพิ่มพูดเป็นในๆ น, นะคะในขณะที่นางพิษก็รับลูกทันทีว่าจริงจริงเทียวเจ้าประคุณเอ้ยอีกหน่อยพิษก็คงจะได้สบายเป็นใหญ่เป็นโตกับเขามั่งอยู่ในวงังทุกวันนี้มันคับแคบนะักถ้ามีบ้านช่องของเราเองใครจะไปมาหาสู่ ก็จะได้รับให้เต็มที่ทีเดียวจากนั้นพรอยก็ชวนคุณเชยลงเรือเข้าไปนั่งอยู่ในเก๋งส่วนนังทิศก็ลงท้ายเรือและพเพิ่มก็โดดตามลงนั่งตอนหัวเรือติดมาด้วยแม่พลอยแม่พลอยรู้ไหมตอนเนี้ยมีใครคนหนึ่งเขากินไม่ได้นอนไม่หลับจะตายไม่ตายแหละอยู่แล้วนะ ไม่รู้ไม่ชิใครจะเจ็บจะตายก็ไม่เห็นว่าจะเป็นกงการอะไรของฉันเลยโธไม่สงสารเข้าบ้างหรือเขาเดาไม่ถูกจริงๆว่าแม่พลอยจะไหวอย่างไรเจ้าขุณพ่อท่านก็ยังไม่ตกลงอะไรเลยท่านตอบเข้าไปว่าต้องถามพลอยดูก่อนฉันก็อยากจะรู้แน่ว่าแม่พลอยของเจ้าขุณพ่อท่านคิดอย่างไรฉันจะได้ไปบอกเขาให้ทัน เพราะเพื่อนฉันคนนี้อาการหนั ก, กร่อแรกเป็มทีดีไม่ดีเดี๋ยวจะตายซสียก่อนนาะพรอยหันไปดูหน้าคุณเชยเหมือนจะขอความช่วยเหลือคุณเชยก็เลยตอบแทนให้ทันทีว่าตายซะกะด็ดีถามบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้แต่พราะเพิ่มก็ไม่ถือสาคำพูดของคุณเชยหันมาพูดกับพรอยต่อไปว่าแม่พรอยฉันก็รู้นะ ว่าฉันน่ะเป็นคนสำมาเลเ์เทมเาไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเท่าไหรนะ่นักแต่ก็นั่นแหละถึงฉันจะเป็นอย่างไรฉันก็ยังรักยังหวงแม่พลอยแม่พลอยเป็นน้องในไส้ใจจริงฉันอยากจะให้แม่พลอยมีความสุขให้ได้ดีที่ฉันทำอะไรไปก็เพราะเจตนาดีจริงๆถึงจะผิดพลาดไปบ้างก็ขอให้ยกเว้นฉันเสียเถิดพูดขึ้นมาฉันก็คิดถึงแม่ถ้าแกอยู่ป่านนี้ ก็คงจะดีใจพี่ลึกพอเพิ่มพูดแล้วก็ทำตาแดงๆเหมือนหน้าออกไปมองนอกเรือเสียงนังพิษสั่งน้มูกดังลั่นมาจากท้ายเรือนังพิษนั้นถ้าใครเอ่ยถึงนายเก่าเป็นต้องร้องไห้เสะอกสะอื้นทุกทีไปพรอยเองเมื่อได้ยินพ่อเพิ่มพูดก็อดสงสารไม่ได้ตื้นตันในคอห้อยเหมือนกัน ฉันไม่ถืออะไรหรอกพ่อเพิ่มพ่อเพิ่มเจตนาดีต่อฉันฉันก็รู้แต่บางทีพ่อเพิ่มทําอะไรมากไปน้อยไปไม่คิดถึงฉันบ้างฉันเป็นผู้หญิงก็ต้องอายเป็นธรรมดาจริงสิฉันก็รู้ว่าพ่อเพิ่มรักน้องแต่พ่อเพิ่มทําอะไรไม่ค่อยระวังตัวเสมอเราก็โตโต้ตได้กันแล้วต่อไปถ้าพ่อเพิ่มจะระวังตัวสับ้างก็คงจะไม่มีเรื่องขุนเชยก็ มีความเห็นเห็นพ้องต้องกันกับพลอยนะคะแต่จริงๆทั้งสามคนนี้ก็จัดได้ว่าเป็นพี่น้องที่รักกันแล้วก็เหมือนกับว่ามีกันอยู่แค่สามคนเพราะว่าคุณอุ่นกับคุณชิดนั้นก็ดูเหมือนว่าแทบจะไม่ได้มาสมาคมอะไรกันเลยนะคะพูดกันก็คงจะไม่รู้เรื่อง ขณะนั้นเรือแจวกำลังแล่นออกกลางแม่น้ำหัวเรือแหวกกระแสน้ำเกิดเสียงดังอยู่ไม่ขาดระยะพอเพิ่มนั่งเมือมองทอดสายตาออกไปไกลคิดอะไรอยู่นานแล้วก็พูดขึ้นว่าคุณเชยพูดทำให้ฉันนึกอะไรออกเราก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วดีกันทุกคนฉันคิดถึงเมื่อครั้งที่เรายังวิ่งเล่นเมื่อตอนเป็นเด็กแล้วก็ใจหายต่อไปนี้เราก็นับว่าแต่จะแก่ลงไป จะเอาสุขสบายอย่างแต่ก่อนก็คงไม่ได้ฉันเองก็มีแม่พลอยเป็นน้องแท้ๆอยู่คนหนึ่งคุณเชยฉันก็รักเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันว่าที่จริงเราก็มีกันเพียงสามคนเท่านั้นฉันอยากจะขออะไรสักอย่างคือต่อไปข้างหน้าถึงจะอย่างไรเราก็จะต้องเกาะกันไปไม่ทิ้งกันจใจฉันคิดอย่างนี้แม่พลอยกับคุณเชยเห็นด้วยไหม คุณเฉยเอื้อมมือมาพาดไว้บนขาพรอยแล้วก็บอกว่าฉันคนหนึ่งละ่ะที่จะไม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องและถ้าเดาวใจไม่พรอยไม่ผิดแม่พรอยก็คงจะคิดอย่างเดียวกันนึกอย่างนี้แล้วฉันก็สบายใจขึ้นเป็นกองเพราะถ้าคิดถึงเวลาข้างหน้าสิ้นบุญพ่อแม่แล้วฉันใจไม่สบายเลยแต่ถ้าคิดว่ายัางมีพี่น้องอยู่ก็พอจะค่อยยังชั่ว พรอยก็ลูบมือคุณเชยเบาๆเพื่อบอกให้รู้ว่าคุณเชยพูดตรงกับใจและความรู้สึกของตนสามคนพี่น้องนั่งนิ่งๆต่อไปในระหว่างที่เรือแล่นนางพิษเมื่อจะยินคนทั้งสามพูดกันก็ร้องให้สะอึกสะอื้นจะเพราะดีใจหรือเสียใจ ก็ไม่มีใครรู้ก่อนเรือจะเข้าเทียบท่าน่งพิทก็พูดขึ้นว่าคุณเพิ่มคุณพลอยบ่าวอีกคนนะคะที่จะไม่มีวันทิ้งคุณคุณหรอก ยะเวลาสองสามเดือนระหว่างการรับมั่นแต่งงานนั้นพลอยรู้สึกเหมือนกับอยู่ในความฝันนับตั้งแต่วันที่กลับมาจากบ้านข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วว่าพลอยจะแต่งงานและจะแต่งกับคุณเปรมผู้มีชื่อว่าเป็นเศรษฐีทำให้พลอยกลายเป็นบุคคลที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีคนที่รู้จักคุ้นเคยจริงๆ ก็พากันแห่ห่อมาหาแทบไม่เว้นแต่ละวันคนที่รู้จักเพียงห่างๆก็พยายามที่จะเข้าใกล้ชิดเพื่อฝากเนื้อฝากตัวเอาไว้แล้วพวกที่มีของจะขายตั้งแต่ผ้านุ่งผ้าหม่มไปจนถึงเครื่องเพชรและของใช้ต่างๆก็มาติดต่อผู้จาชักจูงให้พลอยซื้อของของตนไม่เว้นแต่ละวันพลอยเองนั้นไม่รู้ว่าของมั่นที่ผู้ใหญ่ทางคุณเปรมจะนําไปมอบให้แก่เจ้าคุณพ่อ น, นั้นมีอะไรบ้าง แต่ข่าวลือก็สะท้อนกลับมาจากข้างนอกวังและกลับมาเท่าเข้าถึงหูของพลอยว่าเป็นของมั่นที่มีราคามากมายนักห น, นา น, นานๆจะมีเช่นนี้สักครั้งหนึ่งและการแต่งงานที่จะมีขึ้นในเดือนหกนั้นก็กะกันว่าน่าจะเป็นงานที่ใหญ่โตที่สุดงานหนึ่งในรอบปีทีเดียว วันหนึ่งขณะที่พลอยเฝ้าเสด็จอยู่บนตำหนักคุณสายก็ขึ้นมาไดนําหน้าพาแม่หนุยซึ่งเป็นอาของคุณเปรมขึ้นมาเฝ้าพอเห็นแม่หนุยคลานกระชับกระเฉงตรงเข้ามาเสด็จก็รับสั่งว่าอ่ะนุยจะมามั่นนางพลอยกระมังแม่หนุยลงหมอบกราบอย่างคล่องแคล่วแล้วก็ทูลเป็นปัญหาอย่างที่พูดกับคนอื่นๆโดยไม่มีข้อยกเว้นให้แก่ใครเลยว่า ม่อมชั้นนำของเข้ามาถวายมังคะเห็นจะโปรดเนี่มังคะเสด็จก็รับสั่งว่าอุ้ยโปรดเอาเข้ามาให้เธอแล้วก็สรงพระสูวนด้วยความขบขันในวิธีพูดแปลกๆของแม่นุย้ยเด็กรุ่นสาวๆสองสามคนคลานเขายกของถวายขึ้นมาตั้งเรียงรายอยู่หลายอย่างเด็กพวกนี้มากับแม่นุย้ยหน้าตาเป็นผู้มีสกุลพลอยต้องมองดูด้วยความสนใจ เพราะสงสัยว่าจะเป็นญาติของคุณเปรมซึ่งต่อไปก็จะต้องเป็นญาติของตนในวันข้างหน้าเครื่องแก้วมังคะของตกเข้ามาจากนอกใหม่ๆทั้งนั้นถ้าจะหายากนะมังคะแม่นุ้ยเริ่มทูลเสด็จถึงของถวายที่นำเข้ามา พลมองดูของถวายที่วางเรียงรายอยู่ตรงหน้าด้วยความสนใจของแต่ละอย่างล้วนแต่เป็นของที่มีราคาทั้งสิ้นเครื่องแก้วชุดหนึ่งเป็นชุดสงฆ์พระพักทําด้วยแก้วเจรนายอย่างเยี่ยมมีลายทองเป็นใบไม้ดอกไม้มีตั้งแต่เหยือกน้ําอ่างน้ําเครื่องประกอบอื่นๆไปจนถึงขวดน้ําอกทั้งเถาตั้งแต่ใบเล็กไปจนถึงใบใหญ่แล้วก็โถแป้งอีกเถานึงเรียงลําดับได้ขนาดกัน ต่อจากนั้นก็เป็นชุดที่บูชาทำด้วยแก้วเจรนยน้ำขนุนมีพร้อมตั้งแต่แจกันพานดอกไม้พุ่มใหญ่เล็กตลอดจนเชิงเทียนและกระถางถูกที่วางอยู่ปลายแถวของถวายนั้นเป็นอ่างแก้วเจรนยใบใหญ่มีพานเงินรองรับอยู่ข้างล่างจะทำขึ้นสำหรับประโยชน์อันใดพรอยเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันตายจริงเอามาทาไมกันเยอะแยะขนาดนี้ล่ะ ขาไม่ต้องตั้งห้างขายเครื่องแก้วหรือนี่แมนุยได้ฟังดังนั้นก็ก้มหน้าหัวเราะลงไปที่อกแบบชาววังเพิ่งรู้นะคะว่าการหัวเราะแบบชาววังเนี่ยก็ต้องก้มหน้าหัวเราะไปที่อกนะแม้กระทั่งการหัวเราะก็มีแบบเฉพาะด้วยแม่นุยก็ทูลว่ากิ๋วหรือมังคะ พอเปรมเขาขอให้หม่อมชั้นถวายของให้มากๆให้สมกับที่เสด็จมีพระเดชพระคุณทรงพระเมตตาเขาก็หวาของเขาถูกจริงไหมมังคะข้าจะไปรู้หรือว่าจริงหรือไม่จริงว่าแต่ไอ้อ่างอะไรนั่นเถอะเขามีไว้สําหรับทําอะไรกันแม่หนุ้ยหัวรอกิก่อนจะทูลว่าหม่อมชั้นเองก็ไม่ทราบเหมือนกันบังคะเห็นมันใบโตโตงามดีก็เลยเอาติดเข้ามาถวายด้วย สเสด็จก็ไม่สงสารเหมือนกันหรือมังคะใครจะไปรู้ได้ว่าแต่เรื่องนางพลอยของข้านี่เถอะกำหนดวันกันได้หรื อ, อยังได้แล้วมังคะขึ้นสิบสองค่ำเดือนหกนี่แหละมั้งคะเออยังมีเวลาเตรียมตัวทันแต่งที่ไหนล่ะตกลงกันว่าจะแต่งที่บ้านครองพ่อยมมั้งคะครองพ่อยมนี่ก็คือครองสาธร น, นั่นเองนะคะ บ้านเจ้าสาวอยู่ฝากขน้นไปมายากแต่งแล้วก็จะอยู่บ้านนั้นเลยมังคะพลอยฟังแม่นุย้ยทูลถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการแต่งงานของตนอย่างสนใจทั้งที่ไม่ได้เงยหน้าขึ้นเลยนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยรู้ว่าตนจะต้องแต่งงานที่ไหนเมื่อไหร่กันแน่ขณะที่ฟังก็นึกในใจว่า พิธีแต่งงานที่ตนจะต้องเข้าสู่ในเวลาข้างหน้านั้นมีรายละเอียดพิสดารอย่างไรตนก็หารู้ไม่พรอยนึกในใจว่าว่างๆจะต้องถามคุณสายให้รู้แน่ในเรื่องเหล่านี้แม่หนุ่ยเฝ้าเสด็จอยู่ไม่นานนักคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่ครู่หนึ่งก็ทูนหลักกลับพอแม่หนุ่ยกลับไปแล้วเสด็จก็รับสั่งว่าดูสิสายของมั่นพรอยเขามากมายกเกินทีเดียว ก็ดีแล้วนี่มังคะสมกับที่ทรงพระเมตตาไว้มากสายพูดเหมือนกับว่าของมันแลกกับคนได้ถ้าข้าจะถืออย่างนั้นของอีกสิบเท่าหรือร้อยเท่านี้ข้าก็ไม่ยอมแลกกับนางพรอยแต่นี่มันคนละเรื่องกันสเสด็จทรงหยุดทรงตรึกตรองอะไรอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็รับสั่งต่อไปกับคุณสายว่า เออเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวของพลอยสายช่วยจัดการให้ทีช่วยดูแลให้ดีๆหน่อยอย่าให้ขายหน้าเขาล่ะถึงเวลาใกล้ๆวันก็ค่อยขึ้นมาเลือกของแต่งตัวพวกเข็มกลัดสายสร้อยอันนั้นก็ไว้เลือกกันอีกทีหนึง่งคราวนี้ต้องถือว่าค่าแต่งงานลูกสาวอย่าให้อายฝ่ายเจ้าบ่าวเ้าได้ ข้าจะให้พวกเครื่องใช้อื่นๆอย่างคันล้างหน้าเชี่ยนมากเดี๋ยวก็จะไปซ้ํากับของที่พ่อของพรอยเขาจะให้แล้วของข้าก็มีแต่พวกเครื่องเงินเครื่องหนักบ้านพรอยเขาใช้เครื่องถมกันทั้งนั้นหาไปก็จะไปขับกันตอเปล่าข้าจึงคิดจะให้ของอื่น เด็กนั้นก็โปรดพลอยมากนะคะรักเหมือนลูกเลยทีเดียวแล้วก็นับแต่วันที่ญาติคุณเปรมเข้ามาถวายของเสด็จที่ตําหนักก็ถือว่าการมั่นและการแต่งงานของพลอยที่จะมาถึงในเวลาอีกสองสเดือนข้างหน้านั้นเป็นความจริงที่แน่นอนเป็นทางการแต่ก่อนนั้นก็เป็นเพียงข่าวลือมาสําเร็จเด็ดขาดแน่นอนตรงที่เสด็จรับของถวาย ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการประทานพระอนุญาตแล้วโดยสมบูรณ์ชีวิตของพลอยในขั้นต่อมาหลังจากที่แม่นุ้ยได้นำของเข้ามาถวายเสด็จเพื่อที่จะเป็นการขอประทานพระอนุญาตอย่างเป็นทางการแล้ว วิตของพลอยในขั้นต่อมาก็ดูเหมือนว่าจะบกอยู่แต่ในกองผ้าคืนตนด้วยผ้าขมา้าสำหรับค่มอยู่กับบ้านซึ่งต้องซื้อมาใหม่แล้วก็ฉีกให้ได้ขนาดแล้วก็เล็มขอบอบร่มเก็บเอาไว้ให้พอออกเรือนแล้วจึงจะใช้ต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของผ้าลายผ้าลาย ที่จะต้องเลือกต้องดูกันทุกคู่ลีไปนอกจากผ้าลายก็ยังมีผ้าม่วงไหมเลี้ยนผ้าม่วงดอกผ้าม่วงลายผ้าม่วงคดกริบซึ่งก็ต้องเลือกซื้อไว้นุ่งสำหรับการที่จะไปออกงานนะคะให้ออกหน้าออกตาอย่างสมฐานะเสร็จจากเรื่องผ้าก็ถึงเรื่องเสื้อซึ่งเดี๋ยวนี้ ใส่กันหนาตาก่าแต่ก่อนสมัยนิยมนั้นก็เปลี่ยนไปจากเสื้อแขนพองเหมือนขาหมูแฮมกลายเป็นเสื้อแขนธรรมดารัดเอวแน่นแล้วก็เกี่ยวขอข้างหลังเมื่อเลือกผ้าหรือแพรตัดเสื้อจนได้เป็นที่พอใจแล้วก็ต้องวัดตัวต้องลองและต้องหาแพรสพายไว้ให้ถูกกับเสื้อ พลอยไม่เคยนึกเลยว่าการแต่งงานจะต้องลงทุนใช้คือใช้จ่ายค่าเครื่องแต่งตัวมากมายถึงเพียงนี้เงินที่เจ้าคุณพ่อให้มานั้นเกือบจะไม่ได้แตะต้องเพราะว่าเสื้อผ้าที่หาใหม่ล้วนแล้วแต่เป็นของที่เสด็จประทานแล้วก็รับสั่งถามถึงเรื่องนี้กับคุณสายหนึ่งเงหากพลอยจะทักท้วงขึ้นมาเป็นครั้งคราวเพราะเห็นว่าของบางอย่าง ดูจะมากมายฟุ่มเฟือยไปคุณสายก็มักจะอ้างรับสั่งขึ้นมาขู่สำทับแล้วก็บอกด้วยทุกครั้งว่าคนที่พลอยจะไปอยู่ด้วยต่อไปนั้นเขาเป็นเศรษฐีฝ่ายพรอยจะไปอยู่กับเขาก็จะต้องไปในลักษณะที่มีให้เขาดูถูกได้เพราะจะทําให้ขายพระพักร์เสด็จพลอยก็จาต้องนิ่งทุกครั้งไป คือผู้ใหญ่แต่ก่อนนี้ก็คิดลึกซึ้งกันนะคะไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่ายเป็นเศรษฐีแล้วจะไปตัดตัวเพราะถือว่าเขามีเงินสามารถที่จะใช้จ่ายต่างๆได้ก็ไม่ใช่แต่ตรงกันข้ามยิ่งฝ่ายตรงข้ามเป็นเศรษฐีอีกฝ่ายหนึ่งก็ยิ่งต้องเตรียมตัวไปให้สมกับหน้าตาเพื่อที่จะไม่ให้เขาค้อนเอาได้ว่าไปตตดตัวหรือไม่มีอะไรมาตอนที่กลับมาจากบ้านครั้งสุดท้ายใหม่ พลอยนั้นยันชาต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเห็นว่ายังมีเวลาอีกหลายเดือนที่จะนึกถึงแต่ในขั้นต่อมาพอเหตุการณ์นั้นเริ่มจะเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกวันพลอยก็เริ่มมีตกหวาดเกรงต่ออนาคตบางทีนอนกลางคืนนึกถึงเรื่องนี้แล้วก็เหงื่อแตกทั้งตัวนอนไม่หลับจนดึก คนที่พลอยจะปรับทุกข์ได้ก็มีแต่ช้อยคนเดียวเท่านั้นตอนแรกๆช้อยดูเหมือนจะเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับพลอยเป็นเรื่องสนุกเป็นของที่ทําให้ชีวิตประจําวันที่ซ้ําำซากนั้นมีสีสันและก็มีของใหม่ที่จะต้องคิดที่จะต้องทําต้องคอยเวลาที่จะมาถึงช้อยก็ช่วยพลอยเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวอย่างเบิกบาน แล้วก็สนใจในสิ่งต่างๆยิ่งกว่าตัวพลอยซะอีกแต่พอใกล้วันเข้ามาชอยก็ดูเงียบเสียงลงไปบางเวลาก็รอบมองดูหน้าพลอยอย่างเป็นห่วงและบางครั้งเมื่อพูดถึงเวลาที่จะต้องแยกกันอยู่ชอยก็สแสดงสีหน้าเศร้าจนเห็นได้ชัดจนวันหนึ่งพลอยก็ปรารบขึ้นกับชอยในขณะที่อยู่กันสองต่อสองว่า ชอยฉันชักจะไม่สบายใจเต็มทีแล้วละ่ะมันยังไงอยู่ก็ไม่รู้เรื่องที่ฉันจะออกไปมีเรือนี่นะ่ะชอยก็บอกว่านั่นน่ะสิฉันก็ชักจะไม่สบายใจเหมือนกันแต่แรกฉันก็เฉยเฉยเหมือนกับว่ามันจะไม่เป็นจริงเป็นจังหรือเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของแม่พลอย พอถึงเวลาซื้อข้าวของเสื้อผ้าฉันก็ออกสนุกเต็มทีพอเรื่องใช้อัดของคนอื่นแล้วก็ฉันชอบนะักแต่พอใกล้วันเข้ามาฉันก็ชักจะใจไม่ดีขึ้นทุกวันคิดถึงเรื่องที่จะจากกันฉันก็ใจหายเดี๋ยวนี้เพียงเห็นหน้าแม่พลอยอยู่ตามตาฉันยังคิดถึงเสียแล้วเรื่องนั้นก็จริงหรอกชอยแต่มันไม่สู้อะไรนะัก ฉันจะหมันไปมาหาสู่ชอยเสมออย่าวิตกเลยแต่เรื่องที่ฉันไม่สบายใจยังมีอีกชอยก็ถามว่ามีอะไรพรอยก็บอกว่าก็จะมีอะไรเสียอีกเล่าชอยคิดดูสิฉันจะต้องไปอยู่กินกับคนที่ฉันไม่เคยรู้จักเลยนิสัยใจคอจะเป็นอย่างไรแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกมากฉันก็ไม่รู้ทั้งนั้นเรื่องอะไรอะไรก็ช่างเถอะ เพียงแต่เจอกันจังหน้าเข้าจริงๆจะพูดกันว่าอย่างไรฉันก็ยังนึกไม่ออกพอนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรฉันก็เหงื่อการแตกทุกครั้งจริงสิฉันก็กลุ้มแทนเหมือนกันสมมติว่าถ้าเป็นตัวฉันไม่ใช่แม่พลอยฉันก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงดีไอเรื่องนิสใสใจคอน่ะไม่สู้กระไรนักหรอก อยู่กันไปก็เริ่มเรียนรู้กันไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีหัวมีหางควรจะรู้จักกันก็ต้องเริ่มเข้าที่ไหนสักแห่งหนึ่งฉันก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าแม่พลอยจะไปเริ่มอย่างไรที่จะให้ได้รู้จักพูดจา ก, กันก่อนเห็นจะไม่มีทางยิ่งรู้ว่ามั่นหมายกันอย่างนี้แล้วยิ่งพบปะกันไม่ได้เลยทีเดียวกว่าจะได้เห็นหน้าได้พูดกันก็ถึงวันส่งตัวตายละสิ พลอยนั้นมือเย็นเฉียบเลยนะคะแล้วก็พูดเสียงอ่อยๆว่าอีตอนนี้ล่ะช้อยที่ฉันกลัวนะักเขาพูดจาทําท่าทางกันอย่างไรก็ไม่รู้คนไม่เคยพูดกันเลยแล้วอยู่ๆก็ถูกโยนเข้าไปนั่งอยู่ด้วยกันสองคนถ้าเป็นช้อยเสียอีกก็คงจะไม่เท่าไหรนะ่นักเพราะช้อยเป็นคนกล้าฉันเป็นคนอย่างไรช้อยก็รู้ดีฉันกลัวว่าฉันจะไปตายเสียก่อนเท่านั้นเอง เฮ้อเรื่องมันแก้ไขไม่ได้แล้วคิดไปก็เสียเวลาเปล่าๆ เ, เลยตกกระไดพลอยโจนก็แล้วกันใครไม่พูดกับเราก่อนเราก็ไม่พูดงานแต่งของคนตะกอนก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะโดยเฉพาะงานแต่งที่มาจากผู้ใหญ่จัดแจงให้ กว่าจะได้เห็นกันกว่าจะได้คุยกันก็นวน ล, ลวคะค่ะตอนส่งตัวในระหว่างนั้นนะคะคุณเชยก็เข้ามาหาพลอยอยู่หลายครั้งแล้วก็ทำให้พลอยได้รับรู้เรื่องราวทางบ้านแล้วก็ได้รู้ความจริงว่าการที่ต้องไปเข้าพิธีที่บ้านของคุณเปรมก็เป็นเพราะว่าคุณอุ่นไม่ยอมให้แต่งที่บ้านคะ่ะ คุณเชยเล่าว่าฉันสงสารเจ้าคุณพ่อท่านเหลือเกินแม่พลอยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านจะแต่งงานลูกออกหน้าออกตาท่านก็อยากจะแต่งที่บ้านให้คลึกครืน้นแต่พอท่านเอ่ยถึงเรื่องนี้ทีไรคุณอุ่นเธอก็อ้างเหตุขัดข้องไปต่างๆแล้วท่านไม่รู้หรอว่าคุณอุ่นเธอขัดข้องเรื่องอะไรคุณเชยทําไมท่านจะไม่รู้ แต่เราก็ควรจะเห็นใจท่านบ้างนะแม่พลอยเพราะท่านจะต้องอยู่ดูหน้ากับคุณอุ่นทุกวันมีเรื่องขัดใจกันขึ้นก็ราคาญต่อเปล่ า, ลาท่านก็เลยทาเฉยซะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะธรรมดาเจ้าคุณพ่อท่านถึงคนมีอารมณ์เรื่อยๆแม่พลอยก็รู้อยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็วิจจะมีเรื่องกันตอนที่ท่านสั่งให้จัดของให้แม่พลอยนั่นแหละ เชยเล่าว่าเจ้าคุณพ่อสั่งให้คุณเชยเนี่ยไปบอกกับคุณอุน่นให้จัดเครื่องล้างหน้าถมเช่นหมากถมไว้ให้กับแม่พลอยเช่นหมากถมก็หมายถึงเช่นหมากที่เป็นเครื่องถมนะคะทีนี้พอคุณเชยไปบอกปรากฏว่าคุณอุ่นเนี่ยก็โกรธกระฟัดกระเฟียดแล้วก็ ทำทีเป็นด่าประชดประชันคุณเชย อ, อยู่เรื่อยๆด่ายังไม่เท่าไหร่นะคะเรื่องของเรื่องก็คือคุณเชยจัดของเร็วๆส่งออกมาให้คือไม่ยอมเลือกของดีๆเลือกแต่ของชั้นเลวพอเจ้าคุณพ่อเห็นท่านก็โกรธมากแต่ท่านก็ไม่พูดเจ้าคุณพ่อของพลอยเดินเข้าไปที่ห้องคุณอุ่น เรียกเอากุญแจตู้แล้วท่านก็หยิบเอาเองแล้วก็เลือกเอาแต่ของดีๆทั้งนั้นแล้วท่านก็ยังหยิบของอื่นเป็นต้นว่าตะลุ่มถมสําหรับใส่ผ้าบ้างแล้วก็ของอื่นๆเติมเข้าไปอีกหลายอย่างพอให้ครบชุดพอใจท่านแล้วท่านก็เรียกหีบแล้วท่านก็เก็บกุญแจไว้เองแล้วก็สั่งให้คนยกเอาหีบที่ใส่ของไปเก็บเอาไว้ที่ห้องคุณเฉย รอให้ถึงวันแต่างงานแม่พลอยท่านจริงจะขนเอาไปให้ด้อยคำที่คุณเชยพูดทำให้พลอยรู้สึกปิติในความกรุณาของเจ้าคุณพ่อส่วนปากนั้นก็ได้แต่ถามคุณเชยไปว่าแล้วระหว่างนั้นคุณอุ่นเธอว่าอย่างไรบ้างเธอจะไปว่าอย่างไรได้เอาจริงเข้าเธอก็กลัวเจ้าคุณพ่อเหมือนกัน แต่แล้วเธอก็เลยพานกโกรธมาที่ฉันจนเดี๋ยวนี้เธอยังไม่พูดกับฉันเลยแม้แต่หน้าเธอก็ไม่มองกลายเป็นว่าคุณเชยก็เลยกลายเป็นฝ่ายรับเคราะห์เรื่องของพลอยไปนะคะคุณเชยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแม่พลอยฉันไม่ได้ทำอะไรผิด แม่พลอยก็ไม่ได้ทําอะไรผิดคุณอุ่นเธออยากโกรธก็ให้เธอโกรธไปสิฉันกลับสบายดีเสียอีกที่เธอไม่พูดด้วยระหว่างนี้ไม่อย่างงั้นเธอชอบซักฉันถึงเรื่องของแม่พลอยแล้วก็ชอบพูดค้อนขอดแม่พลอยให้ฉันฟังจนบางทีฉันก็แทบจะอดโมโหไม่ไหวไม่พูดกันเสียอย่างนี้แหละดีฉันว่านะฉันจะทําโกรธกับเธอไปจนแต่งงานแม่พลอยให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วฉันจะเข้าไปดีกับเธอเองพรอยนั้นฟังแล้วก็หัวเราะหัวเราะขำด้วยแล้วก็หัวเราะชื่นชมในน้ำใจของคุณเชยที่ปราศจากความอาฆาตพยาบาทแม่พรอยแม่พรอยแต่างงานแล้วฉันอยากจะเตือนอะไรสักอย่าง ตเตือนเรื่องพี่น้องของเราเองนี่แหละไม่มีใครหรอกคนที่เขาจะแต่งกับแม่พลอยเขามีชื่อว่าเป็นเศรษฐีแม่พลอยก็รู้ว่าคุณชิดของเราเดี๋ยวนี้ใช้อัดเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอพอคุณชิดรู้ว่าแม่พลอยจะแต่งกับใครก็หูผึ่งทีเดียวทําท่อสนิทเข้ามาทางชันหลายครั้งแล้วเพื่อจะให้ฉันบอกแม่พลอยว่าเธอรักเอ็นดูแม่พลอยอย่างไรแต่ฉันก็ทำเฉยซะ ต่อไปคุณชิดก็คงจะต้องตามแม่พลอยไปถึงบ้านเรื่องก็อยากจะได้อัดนั่นแหละแม่พลอยต้องระวังให้ดีคุณชิดพูดอะไรก็อย่าไปหลงเชื่อเพราะเธอเป็นพี่น้องของเราเรื่องเงินเงินทองทองถ้าไม่ดีคนอื่นเขาจะดูถูกให้แล้วก็ยังมีพ่อเพิ่มอีกคนฉันละหนักใจจริงๆทีเดียวแม่พลอยก็บอกว่า ก็ฉันเห็นพ่อเพิ่มเป็นเพื่อนชอบพอกับเขาอยู่แล้วเขาคงจะไม่ว่าอะไรกระมังคุณเชยคุณเชยก็บอกว่าเวลานี้กําลังเป็นเพื่อนที่เขาคบเป็นเพื่อนเพราะเขาอยากจะทอดสะพานเข้ามาหาแม่พลอยแล้วก็เพราะเขาเป็นเพื่อนกับพ่อเพิ่มนั่นแหละเขาถึงได้ไปจนถึงบ้านเข้าฝากเนื้อฝากตัวจนเจ้าคุณพ่อท่านรัก เวลานี้ฉันก็รู้ว่าเขายังรักใคร่พ่อเพิ่มอยู่มากเพราะพ่อเพิ่มแกรักเขาแกช่วยเหลือสนับสนุนเขาจริงๆแต่แม่พลอยอย่าลืมว่าต่อไปพ่อเพิ่มก็จะกลายเป็นญาติข้างเมียไม่ใช่เพื่อนรักกันชอบกันเฉยๆถ้าพ่อเพิ่มไปทําอะไรไม่ดีก็อาจจะกระทบมาถึงแม่พลอยฉันก็เลยอยากเตือนให้แม่พลอยระวังพ่อเพิ่มเอาไว้อีกคนหนึ่งธรรมดาพี่น้อง ก็ต้องรักกันนะถูกแล้วฉันไม่ได้มายุให้ระแวงกันหรอกนะแต่เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าพี่น้องของเราเป็นยังไงฉันเตือนด้วยเจตนาดีจริงๆเพราะฉันก็เป็นพี่แม่พรอยอีกคนหนึ่งแม่พรอยอย่าโกรธฉันก็แล้วกันฉันไม่โกรธหรอกคุณเชยคุณเชยเจตนาดีต่อฉันใครจะไปโกรธอย่างไรได้ฉันกราบขอบใจคุณเชยเสียอีกเพราะที่คุณเชยเตือนมาก็ถูกทั้งนั้นที่ฉันวิตกอยู่ ก็พอไม่รู้ว่าทั้งคุณชิดและพ่อเพิ่มแกจะมาทำอย่างไรต่อไปเท่านั้นไม่ต้องวิตกกรอกฉันจะช่วยดูให้อีกทางหนึ่งแม่พลอยคอยระวังตัวให้ดีๆอย่าเผลอก็ละกันเฮอฉันพูดมาเสียยืดยาวเหมือนกับว่าฉันเคยมีผัวมาแล้วสักห้าคนอย่างนั้นแหละ อีกคนหนึ่งที่แม่พลอยได้พบบ่อยๆหลังจากที่เสด็จทรงรับของถวายก็คือแม่นุย้ยซึ่งหมูนี้ดูเหมือนจะวิ่งเข้าวิ่งออกไปมาหาสู่คุณสายอยู่ไม่ขาดประยะจะว่าไป พลอยเองก็รู้สึกเบาใจที่มีโอกาสได้รู้จักกับพี่น้องของคุณเปรมอย่างน้อยที่สุดก็คนหนึ่งเมื่อได้พบกันสองสามหนพลอยก็เริ่มเรียกแม่นุ้ยว่าคุณอานุ้ยตามช้อยซึ่งก็ทำให้แม่นุ้ยปลื้มพลอยมากจากนั้นพลอยก็ได้รับความรู้เพิ่มเติ ม, เ, ตมเกี่ยวกับคุณเปรมหลายอย่างเป็นต้นว่าคุณเปรมเป็นลูกชายคนใหญ่ และขณะนี้หลังจากที่บิดามารดาตายไปหมดแล้วคุณเปรมก็ครอบครองบ้านอยู่คนเดียวน้องชายคุณเปรมอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณเปรื่องมีได้รับราชการแต่คุณเปรมให้ดูแลกิจการค้าขายของทางบ้านและคุณเปรมยังมีน้องสาวอีกคนหนึ่งชื่อปรุง อายุจะแก่อ่อนกว่าพลอยราวปีหนึ่งหรือว่าสองปีแต่ก็มีเรือนไปแล้วเวลานี้ที่บ้านจึงไม่มีใครนอกจากคุณเปรงและแม่นุยกับแม่นียนผู้เป็นอาปลูกเรือนอยู่ด้วยกันสองคนต่างหากในบริเวณบ้านคุณเปลืองนั้นแยกไปอยู่ที่ห้างเพื่อให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับกิจการค้าขายส่วนแม่ปรุงน้องสาวก็แยกไปอยู่กับสามี เล่าให้พลอยฟังว่าที่บ้านตอนนี้มีแม่นุยเพียงคนเดียวนะคะที่ยังคงทำอะไรต่อมิอะไรไหวอยู่ในขณะเดียวกันค่ะคุณอาอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าอา น, นีนหรือว่าแม่เนียนเนี่ยก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะเจ็บเจ็บไข้ไข่อยู่แต่บนเบรือนแม่นุยก็บอกกับพลอยบอกว่าแม่พลอยรู้จักแม่เนียนแล้วคงชอบ เขาเป็นคนนิ่งน่งไม่พูดจาซ้าซากอย่างฉันแม่พลอยคงรําคาญฉันหรอกจริงไหมพลอยก็บอกว่าไม่ราคาญหรอกค่ะคุณอนุวยคุยสนุกออกฉันชอบฟังแม่พลอยยอฉันกระมังว่าคนพูดมากกับคนพูดเงียบจริงจริงแล้วพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอย่างฉันต้องคุยกับแม่ช้อยจริงไหมคือพลอยก็ตอบเอาใจนั่นแหละแต่ว่าแม่นุยนั้นก็ปลื้มนะคะ ไม่ว่าจะเอาใจหรือไม่เอาใจก็ปลื้มในขณะที่ช้อยซึ่งนั่งอยู่ด้วยก็หัวเราะชอบใจแล้วก็บอกว่านั่นประไรฉันว่าแล้วไม่ลากคุณอานุยคงจะรักฉันมากทีเดียวนี่ถ้าคุณอามีหลานเหลืออีกคงจะยกให้ฉันจริงไหมคะจริงไหม <c oughs> <c oughs> ก็จบลงด้วยประโยคคําถามเหมือนกันไม่ ain, จริงอย่างแม่ช้อยนี่คบกันคุยกันสนุกแต่เอามาเป็นหลานสะพ้ยคงลําบากฉันพูดอย่างนี้ถูกไหมแม่พลอย <c oughs> พลอยก็หัวเราะนะคะ ในคำพูดขวานผ่าซ่าของอนุ้ยแล้วค่ะคืออนุ้ยนี่ถึงแม้จะเป็นคนพูดซ้ํำซากจบลงด้วยประโยคคําถามแต่ก็เป็นคนที่พูดชาดตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมคอมแล้วก็ไม่มีกักนะคะจากการตกลงระหว่างแม่หนุ่ยกับคุณสายทําให้พลอยได้รู้ว่ากําหนดการในวันแต่งงานนั้นพลอยจะต้องขึ้นไปทูลลาเสด็จแต่เช้าค่ะและคุณสายพลอยและช้อยนะคะในฐานะ คือช้อยในฐานะเพื่อนเจ้าสาวรวมทั้งข้าหลวงเสด็จที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวอีกสองสามคนก็จะต้องออกจากวังเจ้าคุณพ่อของพรอยจะเอารถม้ามารับที่ประตูวังจากวังก็จะไปที่บ้านครองพ่อยมซึ่งก็คือคลองสาธร น, นั่นเองนะคะคือแม่นุ้ยเนี่ยจะจัดเรือนของแม่นุ้ยเป็นที่พักของฝ่ายเจ้าสาวเพราะว่าเรือนของแม่นุ้ยอยู่ห่างกับเรือนคุณเปรมพอสมควร จะดูไม่น่าเกลียดในการที่เจ้าสาวจะไปพักอยู่ที่นั่นเช้าวันแต่งงานนะคะก็มีสวดมนต์ทำน้ำมนต์พลอยจะต้องออกไปตักบาดเลี้ยงพระเพรนครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบกลับมาที่เรือนแม่นุ้ยอยู่ที่นั่นจนบ่ายตกบ่ายได้เลิกรดน้ําพลอยก็จะต้องไปเข้าพิธีรดน้ําบนตึกรดน้ําแล้วก็จะต้องกลับเรือนแม่นุ้ยอีกแล้วก็คอยจนถึงเลิกส่งตัว คนสมัยก่อนนี่เขาก็ระมัดระวังมากนะคะขณะถึงวันแต่งงานแล้วเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของความเหมาะสมคุณสายก็บอกว่าความจริงเรื่องนี้ก็ต้องขอไปทีถ้าบ้านพลอยอยู่ใกล้ๆจใจฉันก็อยากให้พลอยกลับบ้านหลังจากใส่บาตรแล้วก็หลังจากรดน้ําแต่นี่เหมือนก็ไกลนะเราถือเอาเรือนแม่หนุยเป็นบ้านเราระหว่างนั้นเลยก็แล้วกันนะ ป้าจะออกไปอยู่คอยดูแลการงานให้ตลอดพรอยไม่ต้องวิตกขอแต่เวลาถึงวันงานปาาสั่งให้ทำอะไรพรอยก็ต้องทำตามอย่ามัวกระบิดกระบวนอยู่กันละกันคุณสายก็สั่งเหมือนกับว่าพลอยยังเป็นเด็กๆนะคะนอกจากรายละเอียดเหล่านี้ก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายที่คุณสายคอยเน้นคอยเตือนอยู่เสมอ ส่วนพลอยเองยิ่งใกล้วันเข้ามาก็ยิ่งมีแต่ความประมาความกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับจนร่างกายชักจะซูบซีดลงชอยก็มองดูด้วยความเป็นห่วงแม่พลอยระวังตัวให้ดีๆหน่อยเดี๋ยวจะตายเสียก่อนจริงๆหลายคนบอกว่าใกล้วันแต่งงานนี่แทนที่จะมีความสุขกับเครียดนะคะเครียดแล้วก็คงผลกินไม่ได้นอนไม่หลับ พลอยก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้จะทายังไงเหมือนกันชอยทั้งกลัวทั้งวิตกจนไม่เป็นอันกินอันนอนนึกอีกทีตายเสียก็ดีเหมือนกันอย่านึกอย่างนั้นสิพลอยเราก็ไม่ใช่เด็กๆ ด, ด้วยกันแล้วเรื่องอะไรต้องทำก็ทำมันไปอย่าไปคิดอะไรมากนะักเดี๋ยวจะเจ็บไข้ไ ป, ปเปล่าๆไม่ดีแกใครทั้งนั้นฉันอยากรู้นักนะชอยคนที่เขาจะแต่งงานเขาเป็นอย่างฉันทุกคนหรือเปล่า ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นแม่แกเล่าให้ฟังว่าก่อนแกจะแต่งงานกับคุณพ่อแกก็กลัวเหมือนจะขาดใจทีเดียวเอ๊ะแม่ฉันไม่เคยรู้จักกับคุณพ่อของช้อยมาก่อนเหมือนกันเหรอเปล่าผู้ใหญ่ท่านจัดการให้ทั้งนั้นแหละแต่ก็เห็นอยู่ด้วยกันสุขสบายดีจนแก่เท่านะพลอยจะต้องวิตกอะไรช้อยพูดปรดฉันกระมังถึงคุณพ่อและแม่ของช้อยจะอยู่ด้วยกันมาเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างนั้นทุกคู่ไปเผื่อฉันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจะทํายังไงแม่พลอยเชื่อฉันดีกว่าอย่าคิดมากไปเลยเรื่องนี้มันก็เหมือนกระแทงหวยนั่นแหละเวลานี้หวยมันก็ยังไม่ออกแม่พลอยอย่าเพิ่งไปคิดดีกว่าหวยจะกินเสียก่อนมั้งแต่ทั้งที่พลอยจะวิตกวิจารณ์นั่งคิดนอนคิดถึงเรื่องอนาคตจนกระทั่งบางครั้ง ถึงกับอธิษฐานภาวนาขอให้วันคืนล่วงไปช้าๆเพื่อที่จะได้ผัดผ่อนเวลาออกไปอีกแต่อย่างไรก็ตามวันคืนก็ล่วงใกล้เข้าไปทุกทีทุกที่ข้าวของทุกอย่างก็ถูกตระเตรียมจนเสร็จรายละเอียดทุกอย่างก็ถูกกำหนดแน่นอนไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป หลังจากคืนสุดท้ายในวังที่พลอยนอนไม่หลับเลยแม้แต่ ง, งีบเดียววันสำคัญที่สุดในชีวิตของพลอยวันหนึ่งคือวันแต่งงานก็มาถึงคุณสายบ่นพึมพำปลอบใจพลอยแต่เบาๆด้วยท้อยคําที่พลอยไม่มีแก่ใจที่จะฟังให้รู้เรื่องคุณสายเองก็เรียกว่าน้ำตาคลอทีเดียวเพราะถึงวันที่จะต้องจากกับพลอยเด็ก ซึ่งเคยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่ใช่แม่ก็แทบจะเหมือนแม่นะคะคุณสายบอกให้พลอยอาบน้ําอาบท่าให้เรียบร้อยและก็ชวนกินข้าวเช้าแต่เช้าตรู่ถึงพลอยจะฝืนใจกินสักเท่าไหร่ก็กลืนข้าวไม่เคยลงสามคนที่เคยอยู่กันมาด้วยกันช้านานคือคุณสายพลอยและช้อยต่างนั่นอยู่กับสํำรับ แจ้งทาว่ากินข้าวด้วยกันเหมือนกับกินข้าวด้วยกันตามปกตินะคะแต่ความจริงก็คือกินข้าวไม่ลงด้วยกันทั้งสามคนพอเสร็จเรียบร้อยทั้งคุณสายและช้อยก็ช่วยกันแต่งตัวให้พรอยด้วยชุดที่จะเดินทางไปจากวังนุ่งผ้าม่วงสีตามวันแล้วก็ใส่เสื้อเรียบๆสะพายแพรจีบแล้วก็ตรึงติดกับเสื้อเรียบร้อยชุดที่จะแต่งฟังสวด แล้วก็ตักบาทเลี้ยงพระเพนนนั้นถูกส่งไปไว้ล่วงหน้าที่เรือนแม่นุย้ยเมื่อพลอยไปถึงบ้านนั้นแล้วจะต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอีกหลายชุดแต่งตัวเสร็จแล้วก็ยังเหลือแตสวมเกือกคุณสายก็พาพลอยขึ้นไปเฝ้าทูลลาเสด็จที่ชั้นมนของตำหนักวันนั้นเสด็จตื่นบรรทมแต่เช้ากว่าปกติเพื่อให้พลอยได้เฝ้าทูลลา เมื่อพลอยขึ้นไปถึงห้องบรรทมเสด็จประทับปีพระเกศาอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ท่งเห็นพลอยคานเข้าไปก็หันพระพักมารับสั่งว่าพลอยขึ้นมาลาหรือข้าอุสาลุกขึ้นมาทรงเจ้าแต่เช้าพลอยคานเข้าไปกราบเกือบชิดพระองค์แล้วก็ฟุบหน้า ร้องห้าอย่างหมดเกรงพลอยนึกล่วงหน้าเอาไว้หลายตลบว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทูลลาเสด็จมาถึงพรอยจะแสดงกิริยาอาการอย่างไรเสด็จจะทรงรับสั่งว่าอย่างไรบ้างพรอยนั้นนึกเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆว่าเมื่อถึงเวลาจะต้องคุมสติให้อยู่อย่าปล่อยให้ความรู้สึก ทำให้ต้องแสดงกิริยาที่ไม่น่าดูออกไปเพราะว่าพรอยนั้นอยากจะให้เสด็จเบาพระทยัยว่าตนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสติสมกับที่ได้ทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงมาแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆความรู้สึกอันรุนแรงก็สงแสดงอาการให้ปรากฏพรอยมิอาจกลั้นความโศกสลดที่จะต้องจากผู้ที่มีพระคุณที่ได้ชุบเลี้ยงตนมาตั้งแต่เด็กได้ ความรู้สำนึกว่าจะต้องจากผู้ที่คอยพิทักษ์คุ้มครองออกไปสู่โลกภายนอกและต่อไปจะต้องดูแลคุ้มครองตัวเองทำให้พลอยใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวน้ำตาไม่รู้ว่าหลั่งไหลมาจากไหนพลอยพยายามคมสติสั่งให้น้ำตาหยุดเพื่อจะได้เงยหน้าดูเสด็และคอยฟังรับสั่งว่าจะทรงสั่งเสียอย่างไรบ้างแต่ก็ไม่สามารถจะทาได้ ยิ่งพยายามเจ็บกลั้นน้ำตาก็ยิ่งดูเหมือนว่าจะสะอื้นหนักขึ้นจนพลอยต้องยอมแพ้แก่ความรู้สึกหมอบซบหน้าร้องไห้อยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่านานสักเท่าไหร่ดูนางพลอยสิจะไปแต่งงานกลับมาร้องไห้เหมือนกับใครก็จะเอาไปฆ่าอย่างนั้นหละ คุณสายเองก็มีเสียงสูดน้ำมูกและค็ทูนด้วยเสียงเสียงเครือนะคะอย่างคนร้องไห้บอกว่าน่าสงสารมังคะเอา้าดูสายสิเพื่อกว่าจะช่วยกันห้ามเด็กกลับมานั่งบีบน้ำตาร้องไห้เสียอีกคนอย่างกับใครเขาจะเอาตัวไปมีผัวด้วยอย่างนั้นแหละขวางนับนิ่งสเสถิดพรอยอย่าร้องไห่ร้องห่มไปเลย เจ้าจะออกไปแต่งงานเขาถือว่าเป็นพิธีมงคลร้องไห้ไปไม่ดีหรอกจะเป็นลางไปเปล่าเปล่าพรอยก็พยายามเช็ดน้ำตาแต่ก็ยังไม่กล้างเงยหน้าขึ้นหม่อมฉันหม่อมฉันไม่อยากจะทูลลาไปจากที่นี่มังคะไม่ใช่เรื่องว่าเจ้าอยากจะไปหรือไม่อยากไปเสียแล้วล่ะพรอย ถึงเจ้าจะร้องไห้จนน้าตาเป็นเลือดข้าก็เอาตัวเจ้าไว้ไม่ได้หนิงเสถนะข้าจะพูดอะไรให้ฟังพลอยค่อยๆเงยหน้ามองไปทางที่เสด็จประทับอยู่เสด็จประทับอยู่อย่างปกติในพระหัตย์ยังคงถือพระสังที่ทรงอยู่เมื่อครู่พอพลอยเงยหน้าขึ้นมาเสด็จก็ทรงยิ้มด้วย แล้วรับสั่งว่ายังว่างหน้ยอยู่นั่นเองนะพ้อยข้าอยากจะบอกกับเจ้าว่าอยู่กับข้ามานานหลายปีจนเติบโตจะออกไปมีเย่ามีเรือนในวันนี้เจ้าทำให้ข้าพอใจตลอดมาเพราะเจ้าเป็นคนว่านอนสอนง่ายมีความอดทนมีความเพียร ไม่เกียดคลานและเจ้าแต่ทำตัวให้ข้าเห็นว่าเจ้าเป็นคนดีมีกระตัญยูสมกับที่เกิดมามีสกุลและได้อบรมมาแล้วอย่างดีข้าพอใจในตัวเจ้ามากและข้าขอขอบใจที่เจ้ารักข้ากระตันยูต่อข้าเจ้าจะออกไปวันนี้ขอให้เจ้า จงพบแต่ความสุขความเจริญทามาค้าขึ้นคิดอะไรก็ให้สมความปรารถนาให้อายุมั่นขวัญยืนอย่าเจ็บอย่าไข้ปล่อยก้มลงกราบรับพรที่เสด็จประทานแล้วก็รู้สึกว่าขนลุก พร า, าพรที่ออกมาจากพระโอษของเสด็จนั้นถือเป็นพรนที่ประเสริฐมากสําหรับพลอยเสด็จรับสั่งต่อไปว่าเจ้าจะได้ผัวเป็นข้าราชการเจ้าจึงต้องถือว่าต่อไปเจ้าก็เป็นคนในราชการเหมือนกัน เราจะต้องคอยดูรักษาหน้าที่ภรรยาที่ดีปรนิบัติลูกผัวให้มีความสุขคอยดูแลเอาใจใส่ให้เขารุ่งเรืองต่อไปอย่าให้เสียราชการได้สิ่งใดที่ควรห้ามควรเตือนก็ต้องเตือนสิ่งใดที่ควรหนุนก็ต้องหนุนสำหรับตัวเจ้าเองก็ต้องระมัดระวังรักษาตัวให้ดี ต้องอดออมทั้งกายทั้งใจจงประพฤติเฉพาะสิ่งที่ควรสิ่งใดที่ควรเว้นก็ต้องเว้นจงคิดถึงผัวและฐานะวงศ์ตระกูลของเขาก่อนความสุขสบายของตัวแล้วเสด็จก็ทรงทรงหยิบหีบเล็กๆที่วางไว้ข้างที่ประทับมาเปิดออกจากนั้น ก็ส่งหยิบของแต่งตัวที่ทรงเตรียมไว้ประทานให้พลอยส่งยื่นให้พลอยพร้อมกับรับสั่งของนี่ข้าให้เจ้านึกเสียว่าตอบแทนที่พลอยรับใช้ข้ามานานถูกข้าดุข้าเอ็ดมานานเข็มกลัดอันหนึง่งและส่อยข้อมืออีกสองสาย ถึงจะไม่รู้ราอะไรนะักก็เก็บเอาไว้ใช้เป็นที่ระลึกนึกถึงค่าต่อไปถ้าเจ้าอยากจนลงจริงๆก็ขายกินได้เพราะเป็นของของเจ้าเองแท้ๆแต่งตัวเข้าพิธีวันนี้เจ้าก็ใช้ของที่ข้าให้นี่ได้เลยทีเดียวพรอยก้มหน้าลงกราบรับของประทานจากหัดด้วยมืออันสั่นรัวและคอหอยที่ตื้นตัน เพราะเห็นว่าของที่ประทานนั้นเป็นของที่มีราคาไม่ใช่ของเล็กน้อยอย่างที่เสด็จรับสั่งแต่อย่างใดอันหนึ่งเป็นเข็มกลัด สำหรับกรดกับแพรสะพายทำเป็นชอบกุหลาบทำด้วยเพชรกับทับทิมแล้วก็มีสายสร้อยอีกสองเส้นฝังเพชรกับทับทิมสลับกันความรู้สึกของพลอยเริ่มจะรุนแรงขึ้นมาอีกจะเพชรทูลว่าอย่างไรต่อไปก็ไม่มีปัญญาจะทำได้คือพูดอะไรไม่ออกนะค ะ, สะเสด็จ ก, ก็รับสั่งว่า ไปเถิดพลอยอย่ารีรออยู่เลยเดี๋ยวจะช้าไม่ทันการวันหลังคอยไปมาหาข้าบ่อยๆสเสด็จ ก, ก็ตัดบทเพื่อมีให้พลอยเสียเวลาล่าช้าแล้วสเสด็จ ก, ก็สงหันพระองค์กลับเข้าสู่พระชายหรือว่ากระจกมีพระเกศาต่อไปตามปกติพลอยคลานถอยหลังออกจากห้องบรรทมพร้อมกับคุณสาย พอออกมานอกห้องก็ได้ยินเสียงเสด็จส่งร้องเรียกข้าหลวงอีกคนหนึ่งดังๆอยู่หลายครั้งแล้วก็ได้ยินรับสั่งอย่างกริ้วว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมีใครมาพอนางพลอยมันไปเสียข้าก็ไม่มีใครใช้อีกต่อไปคุณสายสกิดพลอยทันทีและกระซิบว่าพลอยป่าว่าไว้แล้วไหมล่ะ ป้ารู้พระไทยเสด็จดีกว่าใครว่าท่านทรงเสด็จพลอยแค่ไหนแต่น้ำพระไทยท่านแสนดีท่านจึงไม่ทรงขัดขวางใครที่ท่านเห็นว่าทําถูกวันนี้ใครต้องอยู่ที่ตำหนักนี้ก็เป็นกรรมละป้าดีใจดีใจที่ต้องออกไปกับพลอยถ้าอยู่ก็คงจะถูกไล่เบีย้ยเอาหนักกว่าคนอื่นวันนี้คงจะต้องเป็นวันกริ้วไปทั้งวันแต่พอป้ากลับเข้ามาก็คงโดนอีกไม่พ้นหรอก ส่วนช้อยนั้นเมื่อแต่งตัวเสร็จก็คอยอยู่กับข้าหลวงอื่นๆ อ, อีกสองสามคนที่จะออกไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวหนังพิษผาดคุมหีบข้าวของไปล่วงหน้าไปที่บ้านคุณเปรมตั้งแต่ตอนประตูเปิดหลังจากที่ได้เข้าไปล้างหน้าผัดหน้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อกรบรอยน้ําตาตามคําสั่งของคุณสายพลอยก็ออกเดินจากตําหนักพร้อมกับคนที่จะไปด้วยกัน เพื่อขึ้นรถที่ประตูวังคนรู้จักชอบพอกันหลายคนก็มาคอยส่งและก็เดินจับกลุ่มไปด้วยบางคนที่ผ่านกันตามทางหรือนั่งอยู่บนเรือนก็ร้องตะโกนร่ำลาอวยชัยให้ผ่อนพรอยหูอื้อตาลายความรู้สึกในใจจริงนั้นเหมือนกับที่เสด็จรั บ, รบสั่งก็คือ รู้สึกเหมือนกับว่าตนกําลังถูกเขานขําไปฆ่าพรอยพยายามเหลี้ยวดูสิ่งแวดล้อมต่างๆที่คุ้นเคยมาแต่เด็กจนกลายเป็นเพื่อนสนิทสิ่งเหล่านี้บันที้มีความหมายเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตําหนักที่เคยอยู่ด้วยความสุขร่มเย็นต้นจันทร์ต้นที่กุณข้างตําหนักที่เคยเก็บดอกเก็บผลมาตั้งแต่พรอยยังเล็กๆถนนในวังที่ลาดหินแผ่นใหญ่ๆ ตำหนักต่างๆที่เคยผ่านทุกวันที่เป็นยอดพระมหาปราศาสยังคงพุ่งเหยียดขึ้นรับแสงตะวันยามเช้าทุกอย่างยังคงอยู่อย่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างเหมือนกับจะร้องตะโกนว่าพรอยอย่าไปถ้าจากไปแล้วก็จะไม่ได้พบเห็นกันอีกถึงจะได้พบกันอีกก็คงจะไม่เหมือนเก่าแต่พรอยก็ต้องกัดฟันก้าวเท้าเดินต่อไป ไม่อาจจะหยุดยั้งลงได้เพราะกระแสแห่งชีวิตที่เกิดด้วยกรรมและกำหนดด้วยกรรมหล่อเลี้ยงด้วยกรรมนั้นรุนแรงเกินกว่าที่เจตนาอันน้อยของพลอยจะไปขัดขวางได้ที่หน้าประตูยังมีคนเดินเข้าออกและมีหาบของมาตั้งขายมากตามปกติคนบางคนที่ไม่รู้จักคุ้นเคยก็เหลียวมองดู แล้วก็พูดจาซุบซิบกันทำให้พลอยต้องเมินหน้าไปอีกทางหนึ่งด้วยความอายบางคนที่รู้จักกันผสบตากันก็ยิ้มด้วยเหมือนกับจะให้พรด้วยสายตาอันนี้ก็เป็นประเภทคนที่รู้จักกันห่างๆนะคะก็ยิ้มยิ้มให้ พอออกพ้นประตูวังชั้นนอกพรอยก็แลเห็นรถม้าจอดคอยอยู่สองคันเป็นรถเก่งทั้งคู่คันที่จอดอยู่ข้างหน้าเทียมม้าคู่และคันหลังเทียมม้าเดี่ยวคุณสายพาพรอยตรงไปที่รถม้าคันหน้าในนั้นมีเจ้าคุณพ่อและคุณเชยนั่งรออยู่เจ้าคุณพ่อไลเห็นพรอยกับคุณสายและช้อยกับพวกเพื่อนเจ้าสาว ก็ทักทายอย่างดีใจพรอยของพ่อสวยขึ้นทุกวันช้อยก็สวยไม่ใช่เล่นแม่พวกเพื่อนเจ้าสาวนี่ก็สวยๆทั้งนั้นได้ชุดกันดีเหลือเกินอย่างนี้เข้ากลุ่มกันแล้วดูไม่ออกทีเดียวว่าคนไหนเป็นเจ้าสาวคุณก็ดูกระชุ่มกระชวยไม่หยอกเหมือนกันนะวันนี้อันนี้เจ้าคุณพ่อหยอกคุณสายนะคะ พอยคุณสายแล้วก็พวกที่ออกมาจากวังต่างพากันลงนั่งไหว้เมื่อเจ้าคุณพ่อออกมาจากรถที่จอดคอยอยู่พอได้ชมว่าสวยพวกเพื่อนเจ้าสากวก็หัวเราะ ก, กันคิกคักในขณะที่คุณสายก็พูดสรพยักต่ตอบไปว่าท่านแล้วก็ปากหวานไม่หายทีเดียวท่านเองก็ดูหนุ่มไม่เช่นเล่นเที่ยวเจ้าค่ะวันนี้ ถ้าไม่รู้จักกันดิฉันคงจะนึกว่าเป็นพี่เจ้าสาวเท่านั้นเองแล้วคุณพ่อก็หัวเราะอย่างเบิกบานใจนะคะชาววังก็อย่างนี้แหละพอออกจากประตูก็หอมกลุ่นมาแต่ไกลยังไม่ทันเห็นตัวก็รู้แล้วว่ามาชาววังก็ได้ชื่อนะคะว่าหอมกลุ่นไปทั้งตัวไปที่ไหนหรือว่านั่งที่ไหนก็หอมติดกระดาษละคะ่ะ จากนั้นทั้งหมดก็ขึ้นรถมา้าคือเจ้าคุณพ่อคุณสายพรอยและคุณเชยขึ้นรถม้าคันหน้าส่วนช้อยและคนอื่นๆขึ้นคันหลังพรอยนั่งคู่กับเจ้าคุณพ่อคุณเชยและคุณสายนั่งอยู่ตรงข้ามพา ร, รถออกพรอยก็เหลียวดูประตูวังกำแพงวังเหมือนกับจะร่ำลาเป็นครั้งสุดท้าย รถวิ่งผ่านเรียบกำแพงวังไปเรื่อยๆในที่สุดก็ทิ้งวังหลวงไว้เบื้องหลังวิ่งตัดถน น, นโน้นถนนนี้ที่พลอยไม่เคยผ่านมาก่อนเจ้าคุณพ่อคุยกับคุณสายและคุณเชยมาตลอดทางส่วนพลอยนั้นนั่งนิ่งๆมองดูภาพต่างๆที่ผ่านสายตาไปโดยที่ไม่ได้พูดจาว่ากระไรและไม่ได้สนใจฟังเรื่องที่คุยกันนั้นเท่าไหร่นะ รถแล่นต่อมาอีกนานพอสมควรในที่สุดก็เลี้ยวเข้าประตูบ้านใหญ่หลังหนึ่งมีตึกสองชั้นตั้งตระหานอยู่เบื้องหน้ารถวิ่งต่อไปตามถนนกรวดในบ้านบ้านนี้ไม่ใช่บ้านเล็กทั้งตัวตึกและบริเวณใหญ่โตกว้างขวางมากกว่าบ้านที่ครองบางหลวงของพรอย รอบตึกมีกระถางลายครามใบใหญ่ๆ ใ, ใส่ไม้ดัดตั้งอยู่เป็นระยะๆะะและตามขอบถนนก็ตั้งอ่างลายครามใบใหญ่ๆปลูกบัวอยู่ในนั้นรูปร่างของตึกสิ่งประดับประดาเท่าที่แลเห็นตลอดจนบรรยากาศทั่วไปบอกให้รู้ว่าเจ้าของบ้านมีเชื้อสายจีนและเป็นเศรษฐีคือเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะ ว่าไม่ใช่บ้านคนธรรมดาธรรมดาก็ใหญ่โตโมโหรานซะขนาดนี้พลอยกว่าตาไปดูรอบๆใจเต้นแบรงขึ้นเมื่อได้ยินเจ้าคุณพ่อพูดขึ้นเบาๆว่าถึงแล้วที่บนตึกและภายในบริเวณบ้านมีผู้คนเดินอยู่ขวักไขว่ทั้งหญิงทั้งชายบอกให้รู้ว่าบ้านนั้นกำลังมีงานสำคัญรถแล่นต่อไปทางหลังบ้าน ผ่านเรือนบริวารใหญ่น้อยหลายหลังในที่สุดก็มาจอดอยู่ที่หน้าเรือนไม้หลังใหญ่ที่ปลูกอยู่ห่างจากตัวตึกประมาณห้าหรือหกเส้นเจ้าคุณพ่อลงจากรถก่อนจากนั้นคนอื่นๆก็ก้าวตามมาสิ่งแรกที่พลอเห็นก็คือนางพิษมายิ้มหน้าบานอยู่ที่ตีนกระไดเพื่อคอยรับนายของตนที่เพิ่งจะมาถึง แม่นุ่ยคอยรับอยู่บนเรือนผู้หญิงอีกคนหนึ่งหน้าตาคล้ายๆกับแม่หนุย่ยแต่ดูผอมแห้งที่โรคแล้วก็ไม่กระปรีก้กระเป่าเท่าแม่หนุย่ยผู้หญิงคนนี้คือคุณเนียนซึ่งเป็นอาอีกคนหนึ่งของคุณเปรมแม่เนียนรับไหว้พรอยแล้วก็ยิ้มอย่างเอ็นดูส่วนพรอยนั้นพอเห็นแม่เนียนครั้งแรกก็นึกในใจว่า ต่อไปคงจะชอบกันมากอย่างที่แม่นุ้ยเคยบอกไว้คือคนเราแค่เห็นหน้ากันนี่บางทีก็รู้แล้วนะคะว่าคนนี้เนี่ยจะคบกันได้ไหมเนาะมันจะมีรังสีอะไรบางอย่างบอกแม่นุ้ยก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีนะคะมีเสียงทักทายเจ้าคุณพ่อคุณสายแล้วก็คนอื่นๆอยู่ไม่ขาดปาก แม่นุยก็เชิญเจ้าคุณพ่อให้นั่งพักอย่างบริเวณที่จัดเอาไว้เรียกเด็กให้ยกน้ำร้อนน้ำเย็นหมากพรูบรีมาต้อนรับให้สมฐานะขณะที่เจ้าคุณพ่อนั่งคุยอยู่กับแม่เนียนข้างนอกแม่นุ่ยก็พาพลอยและพวกที่ออกมาด้วยกันจากวังเข้าไปในห้องใหญ่ที่จัดไว้สำหรับเป็นที่พักเจ้าสาวในวันนี้พอเข้าไปถึง พลอยไม่มีเวลาที่จะสังเกตสิ่งใดได้นานนั่งพักยังไม่ทันจะหายเหนื่อยคุณสายก็บอกให้เริ่มแต่งตัวสำหรับขึ้นไปฟังสวดมนต์แล้วก็ใส่บาตรบนตึกระหว่างที่พลอยแต่งตัวโดยความช่วยเหลือของนางพิษชอยและพวกเพื่อนเจ้าสาวโดยมีคุณเชยก็ช่วยกันแต่งตัวให้เข้าชุดกันมีเสียงหัวเราะเบาๆดังมาเป็นระยะๆ ช้อยเป็นคนต้นเหตุนะคะหาเรื่องมาพูดให้ได้หัวเราะกันอยู่เรื่อยๆแต่งตัวเสร็จแล้วอีกครู่หนึ่งก็ได้เวลาที่พลอยจะลงจากเรือนแม่นุยเดินตามเจ้าคุณพ่อและคุณสายมีเพื่อนเจ้าสาวเดินห้อมล้อมมาเป็นกลุ่มแม่นุยเป็นคนนำทางพาไปข้างหลังตึกกลุ่มเจ้าสาวขึ้นทางบันไดหลังและไปยังห้องหนึ่งซึ่งปูพรม และก็ตกแต่งเอาไว้เรียบร้อยคุณสายบอกให้พลอยและเพื่อนเจ้าสาวทั้งปวงนั่งลงที่นั่นเพื่อฟังพระสวดจากห้องกลางส่วนเจ้าคุณพ่อเดินออกไปยังห้องที่พระจะสวดมนต์ต่อไปอีกครู่หนึ่งพลอยก็จะยินเสียงพระตั้งนโมให้ศีลแล้วก็เริ่มสวดพระปริศตามพิธี พลอยกับนางกมหน้ากลมตาฟังพระสวดไปเรื่อยๆใจหวนกลับไปนึกถึงเมื่อครั้งโกนจุกใบหน้าของพี่เนื่องผ่านเข้ามาในความทรงจำแวบหนึ่งแต่พลอยก็พยายามผลักออกไปเสียให้พ้นอุตส่าห์ยังจะแวบเข้ามาอีกนะคะพี่เนื่องถึงแม้ว่าพลอยเนี่ยจะลืมไปแล้วก็ตาม เสียงพระสวดมนต์เป็นจังหวะช่วยกล่อมอารมณ์พรอยให้หมดความตื่นเต้นความประหมาลงไปได้บ้างพรอยพยายามข่มใจฟังพระสวดโดยที่ไม่ยอมนึกถึงเรื่องอื่นพอพระสวดมงคลละสูตรจบไปแล้ว ก็ขึ้นรัตนสูตรโพชงเสียงพระสวดเรื่อยๆไปพอใจของพลอยจะเริ่มเข้าสู่พวังทุกคนที่นั่งอยู่รอบตัวตาก็พากันลงกราบแสดงว่าพระสวดจบแล้วขุณสายนั่งนิ่งยิ่งอยู่ครู่หนึ่งเสียงคนที่อยู่ห้องข้างนอกพูดจา ก, กันหลังจากพระสวดจบ ทำให้พลอยรู้ว่าคนที่อยู่ห้องข้างนอกนั้นมีจำนวนไม่น้อยคงจะเป็นญาติพี่น้องของคุณเพรมเป็นส่วนมากพลอยได้ยินเสียงคุณสายพูดเบาๆกับใครคนหนึ่งที่ประตูห้องแล้วคุณสายก็คลานกลับลงมากระซิบกับพลอยว่าพลอยออกไปเถอะไปใส่บาตรพลอยใจหายว่าไปทันทีมือเท้าเย็น แทบจะไม่สามารถขยือนกายจากที่นั่งพรอยรู้สึกประมาามากนะคะเลี้ยวดูคนที่นั่งอยู่รอบตัวเห็นว่าทุกคนกาลังขยับเตรียมจะคลานออกไปข้างนอกพรอยเลียวดูหน้าคุณเชยที่นั่งอยู่ชิดตัวคุณเชยขยิบตาแล้วก็กระซิบว่าไปสิแม่พรอย ไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละไม่ต้องอายรอกในขณะที่ชอยก็กระซิบต่อว่าไปเถหน้าพลอยเดี๋ยวพระท่านอดเพลงปรับคำเปล่ า, ลาทุกคนก็พากันหัวเราะในคำพูดของชอย พลอยเริ่มคลานออกจากห้องผ่านห้องกลางที่มีคนนั่งอยู่มากมีเพื่อนเจ้าสาวห้อมล้อมออกไปเป็นกลุ่มแล้วก็คุณสายเป็นผู้นำอยู่ข้างหน้าพลอยก็คลานก้มหน้าไปตลอดทางรู้สึกว่าตาทุกคู่เนี่ยจับอยู่ที่พลอยด้วยความสนใจ พอผ่านคนที่นั่งอยู่ก็มีเสียงพูดจากันซุบซิบแสดงความพอใจในความงามของเจ้าสาวคุณเปรม น, นั่งรออยู่ที่เฉลียงใหญ่หน้าตึกมีขันข้าวใส่บาทเงินตั้งอยู่ตรงหน้า บาดพระสิบใบตั้งอยู่เป็นแถวเป็นแนวคุณสายพาพลอยแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวตรงเข้าไปที่ที่คุณเปรมนั่งคอยอยู่ก่อนจะถึงพลอยได้ยินเสียงช้อยกระซิบขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าพลอยระวังให้ดีนะเวลาจับทับพพีต้องเอามือไว้ข้างบนมือเราจะได้อยู่เหนือมือเขาต่อไปเขาจะข่มเหงเราเล่นไม่ได้ เป็นความเชื่อมาแทบจะทุกยุคทุกสมัยทีเดียวนะคะและบรรดาแขกเรือก็จะคอยดูว่างานนี้เนี่ยมือใครจะอยู่เหนือมือใครมีกองเชียร์นะคะสมัยพลอยก็มีพลอยก็เข้าไปนั่งอยู่ข้างๆตัวคุณเปรมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ใกล้ชิดกันถึงเพียงนี้พลอยไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นดูอะไรทั้งสิ้นสายตานั้นจ้องอยู่ที่ขันข้าวใส่บาต คุณเพรมก็กระเถิบตัวเข้ามาใกล้อีกหน่อยนึงพรอยก็กระเถิบห่างออกมานิดนึงโดยไม่ได้ตั้งใจหนุ่มสาวสมัยก่อนเนาะคือขนาดนี้นี่เขาก็อายกันจะแย่อยู่แล้วนะคะคุณเปรมก็เข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงหายใจพรอยแลเห็นมือคุณเปรมจับทัพพีในขันข้าวรออยู่ สังเกตดูคุณเปรมเองก็คงจะประมาาอยู่ไม่น้อยละค่ะเพราะมือที่จับทับพีก็ออกจะสันส่นๆอยู่เช่นกันถอยก็กลั้นใจยื่นมือออกไปยังขันข้าวใส่บาทก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะคุณสายกระซิบบอกหรือจะเป็นเพราะเอ่อ จะเป็นพรอะช้อยนะฮะที่เตือนในเรื่องของการจับทัพีให้เหนือมือคุณเพรมคือพอพลอยยื่นมือออกไปคุณเพรมซึ่งจับทัพีรออยู่ก่อนเนี่ยก็ร่นมือของตัวเองลงไปต่ำปล่อยให้พลอยจับด้ามทัพีท่อนบนเหนือมือของตนด้วยความสมัครใจพลอยก็นั่งก้มหน้าเอามือแตะด้ามทัพีไว้ปล่อยให้คุณเปรมเนี่ยเป็นคนตักข้าวใส่บาต ไปจนครบทั้งสิบบาทเมื่อเสร็จแล้วก็รีบลานกลับเข้าห้องนั่งฟังพระสวดด้วยความโล่งอกแล้วก็ไม่ได้เหลียวซ้ายแหลกขวาดูอีกว่าใครจะว่าอย่างไรอีกต่อไปพอเข้ามานั่งรวมกลุ่มอยู่ในห้องนะคะชอยก็เอาผ้าเช็ดหน้าโบกกระพือลมใส่ตัวแล้วก็พูดขึ้นว่าฉันตกประมาแล้วก็จะตื่นจนจะเป็นลมคล้ายๆกับว่าฉันแต่งงานเองอย่างนั้นละ คุณเชยก็บอกว่าฉันก็เหมือนกันตอนที่ออกจากห้องนี้ไปข้างนอกพอโปรออกไปโอ้ยห้องนี้หมุนคว้างเลยทีเดียวฉันนึกจะหมอบแปะอยู่ตรงปากประตูนั่นสะแล้วแต่ก็กลัวคนเขาจะหาว่าดัชจริตไม่ใช่กองการอะไรของตัวสักหน่อยเลยต้องแข็งใจคลานตามแม่พลอยเข้าไปใครมียาดมบ้างช่วยชีวิตฉันไว้สักทีเถิดเดี๋ยวฉันจะหมดลมซะก่อน ทุกคนในกลุ่มนะคะก็ยืนยันบอกว่าตกประม่าเช่นเดียวกันตื่นเต้นเหมือนกันนะคะแม้แต่คุณสายก็ยอมรับว่าใจคอไม่ค่อยดีระหว่างที่พระฉันต่างคนต่างก็คุยหัวเราะ ก, กันเบาๆอีกสักครู่หนึ่งชอยก็สะกิดพลอยแล้วก็บอกว่าพลอยดูใครเข้ามานั่นแน่พลอยเหลือบตาไปดูแล้วก็ดีใจ คนที่เข้ามานั้นคือแม่ของชอยนั่นเองแม่ชั้นแต่งตัวเต็มที่สมกับมางานใหญ่สพายแพรจีบตามสมัยใส่เกือกถุงตีนแต่ถึงอย่างนั้นแม่ชั้นก็ยังแต่งตัวตามสบายไม่พิถีพิถันแพรสพายก็ไม่ได้ตรึงให้เรียบร้อยเริ่มทํำท่าว่าจะหลุดลงจากบา่าทําให้แม่ชั้นต้องหยิบขึ้นวางให้เข้าที่อยู่บ่อยๆ คือบ้านนี้ก็เป็นบ้านแบบสบายๆนะคะแม่ชันนั้นพอมาเห็นพลอยก็ดีอกดีใจปลื้มใจแม่พลอยแม่ทูนหัวฉันปลื้มใจจริงๆวันนี้ปลื้มจนพูดไม่ถูกคุณสายก็บอกว่าฉันนึกว่าจะไม่มากันซะแล้วหายไปไหนกันก็ไม่รู้เมื่อกี้ออกไปก็ไม่เห็น โทแม่สายก็เพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้เองคุณหลวงเขาไปเช่ารถมาตั้งแต่เช้าแต่ฉันเองเป็นคนแต่งตัวไม่เสร็จจนเขาจะทิ้งฉันซะแล้วเพราะความโกรธหาว่าล่าชา้าเขาหาว่าฉันทะเละลายไม่จริงสักนิดเดียวแต่งตัวเต็มยศกันแบบนี้มันก็ต้องแต่งกันอย่างระมัดระวังหน่อยละชอยฟังแม่ตัวเองแล้วก็หัวเราะขำอย่างนี้เนี่ยเหรอแม่ที่เรียกว่าระมัดระวังแล้ว เดี๋ยวแม่ไปที่เรือนคุณอานุ้ยกับฉันก่อนเถิดฉันจะช่วยตรึงแพรให้เดี๋ยวจะไปหลุดขายที่หน้าเขาแม่ฉันก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะลูกสาวพูดอย่างนี้บอกว่านั่นสิแม่ก็รำคาญเหมือนกันตอนออกจากบ้านก็ยังดีๆพ่อมาถึงที่นี่เข้าทำไมมันถึงแต่กระจุยกระจายอย่างนี้ก็ไม่รู้แม่พลอยฉันดีใจจริงๆวันนี้ดีใจเหมือนแต่งงานลูกในไส้สวยจริงแม่คุณ ท่าทางกิริยาก็งดงามขนข้างนอกก็ชมปะ ก, กันทุกคนฉันได้ยินมากับผูเดี๋ยวนี้เองฉันปลื้มแท้ทีเดียวอย่างนี้เป็นยายช้อยก็คงจะสนุกกับเขาละเจ้าสาวทำท่าเป็นลิงหลอกเจ้าอายคนเขาแย่เอากันนั่นทำไมมาลงชั้นเขาละแม่ไว้ให้ถึงเวลาซะก่อนสิถึงคราวฉันมั่งแล้วก็ฉันจะทำท่าให้สวยเชียวแต่วันนี้เนี่ยยังไม่ถึงขนาด ฉันคอยจําท่าทางแม่พร้อยเข้าไว้แล้วทุกฝีก้าวไว้ใจเถิดฉันไม่ให้อายเขาหรอกว่าแต่ว่ามีใครมาขอฉันหรือยังล่ะแม่ฉันนั้นหัวเราะชอบใจลูกสาวนะคะในขณะที่คุณสายก็หันมาดุชอยบ้าอีกแล้วใหญ่ชอยพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เลือกที่เลือกทางเสียบ้างเลยฉันดีใจเหลือเกินเจ้าคุณพ่อท่านอุสา์ไปถึงบ้าน ท่านไปขอให้คุณหลวงกับฉันมาปูที่นอนคืนนี้ท่านว่าท่านมองไม่เห็นใครจะดีเกินไปกว่าคุณหลวงและฉันท่านอยากให้แม่พลอยได้อยู่กันร่มเย็นอย่างคุณหลวงกับฉันอย่างไรล่ะเป็นพระคุณของท่านแท้ๆทีเดียวแต่แรกคุณหลวงเขาขอตัวเขาว่าลูกสาวท่านควรจะมีคนใหญ่คนโตมาทำพิธีจะได้เป็นสิริมงคล แต่ท่านก็ไม่ยอมท่านบอกว่าคนมีเรือนแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้อยู่ที่ยศวาสนาแต่อยู่ที่ความประพฤติถ่อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างฉันกับคุณหลวงดีกว่าคนใหญ่คนโตทั้งนั้นแล้วท่านยังบอกว่าเมื่อแม่พ้อยโกนจุกก็ทำที่บ้านฉันอยู่แล้วแม่พรอยก็เหมือนลูกฉันอีกคนหนึ่งท่านว่าต้องมาให้ได้ทีเดียวความจริงถึงยังไงเนี่ย ฉันก็ต้องมาช่วยอยู่แล้วที่ได้มาปูที่นอนด้วยทีนี้ก็เลยยิ่งดีใจขึ้นอีกคุณสายก็เลยพูดดักคอว่าแล้วก็ปูให้ดีๆก็แล้วกันไม่ต้องกลัวลอกแม่สายฉันปูแต็มฝีมือทีเดียวคือจะว่าไปพ่อกับแม่ของช้อยเนี่ยก็เป็นคนที่ครองเรือนมาอย่างมีความสุขนะคะราบรื่นลูกเตาก็มีความสุขไปด้วย เพราะว่าในประเพณีไทยคนปู่ที่นอนนั้นก็ถือมีความสำคัญนะคะและส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกคนที่มีชีวิตคู่ที่ดีมาเป็นคนปู่ที่นอนให้นะคะพลอยนั้นก็ดีใจค่ะที่คุณหลวงและแม่ชั้นคือพ่อกับแม่ของช้อยเนี่ยได้มามีส่วนเกี่ยวข้องในพิธีแต่งงานของตนแม่ชั้นก็นั่งอยู่เป็นเพื่อน จนกระทั่งพระฉันเสร็จก็กลับออกไปข้างนอกและพอพระอนุโมทนายถาสัพพีเสร็จแล้วพิธีสำหรับตอนเช้าก็เป็นอันเสร็จลงพรอยถูกพาตัวกลับลงจากตึกทางด้านหลังเจ้าคุณพ่อคุณหลวงและแม่ชั้นมาคอยรับอยู่แล้วก็พากัน คือพากันไปที่เรือนของแม่นุย้ยซึ่งเป็นเรือนพักเจ้าสาวนะคะเพื่อรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็พักผ่อนต่อไปจนกว่าจะถึงเวลารดน้ำในในตอนบ่ายเจ้าคุณพ่อเรียกพลอยคุณสายแล้วก็พวกเพื่อนเจ้าสาวให้ร่วมวงกินข้าวด้วยกันซึ่งความจริงทางเจ้าของบ้านได้จัดแยกไว้ให้กินข้าวกันคนละถาดแต่ว่าเจ้าคุณพ่อเนี่ยไม่ยอม บอกว่ากินคนเดียวไม่สนุกแล้วก็ฉุดตัวคุณหลวงกับแม่ชั้นให้อยู่กินข้าวด้วยวันนี้ต้องครุขคักหน่อยถ้าแต่งเสร็จที่บ้านเราก็คงจะเรียบร้อยเสียแต่ว่าที่บ้านต้องไปเรือแขกไปใครมาลำบากอีกคุณเฉยได้ยินเจ้าคุณพ่อพูดก็ศบตากับพรอยประมาณว่ารู้ดีนะคะรู้ลึก ร, รู้จริงถึงสาเหตุที่ไม่ได้แต่งที่บ้านแต่ก็ไม่ได้ว่ากะไรก้มนาก้มตา ก, กินข้าวต่อไป คุณอานุ่ยของคุณเปรมก็เลยบอกว่าแต่งที่นี่ก็เหมือนกันจริงไหมเจ้าคะนึกเสียว่าเรือนอีชั้นเป็นบ้านเจ้าสาวก่อนแล้วกันอีชั้นสั่งไว้ว่าไม่ให้ทางบนตึกมาวุ่นวายทั้งนี้เลยทีเดียวเป็นเพราะคุณแล้วขอรับงานคราวนี้ถ้าไม่ได้คุณช่วยจัดการก็เห็นทีจะลําบากบ่ายวันนี้เห็นแทกจะมากนะ่าขอรับคุณหลวงพ่อของชอยก็เอ่ยขึ้น เจ้าคุณพ่อของพลอยก็บอกว่าเห็นจะมากเอาการอยู่ญาติผู้ใหญ่ของพลอยเขาก็มีเยอะท่านจะมากันทั้งนั้นแล้วก็ยังญาติทางพ่อเปรมเ้าอีกไม่น้อยกว่าจะรดน้ำเสร็จก็เห็นจะหมอบ ก, กันเมื่อยทีเดียวทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเรื่องที่พูดกันเกี่ยวกับการแต่งงานก็มีเพียงเท่านี้จากนั้นต่างคนต่างก็คุยกันเรื่องอื่นจนกินข้าวเสร็จ พลอยนั่งก้มหน้ากินข้าวนิ่งๆไม่ได้พูดจากับใครข้าวที่เข้าปากสารคามก็รู้สึกว่ากลืนยากกลืนเย็นเหลือเกินนะคะไม่ได้รู้รสชาติกันเลยทีเดียวคือไม่มีกระใจจะกินล่ะคะ่ะใจไม่ได้อยู่ที่ข้าวนะคะพอกินข้าวเสร็จพลอยและพวกเพื่อนเจ้าสาวก็กลับไปนั่งจับกลุ่มรวมกันอยู่ในห้องเพื่อพักผ่อนจนกว่าจะถึงเวลา ทุกคนก็พยายามหาเรื่องมาคุยเพื่อให้พลอยเนี่ยเพลิดเพลินใจแต่ว่าพลอยนั้นไม่มีแก้ใจที่จะฟังใครพูดเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นพลอยได้แต่นั่งคอยเวลาอยู่ด้วยความประมาาและความวิตกแม่ชั้นย่องเข้ามาลาก่อนที่จะกลับบ้านแล้วก็บอกว่าจะกลับมาใหม่ตอนรถน้ำแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงเิกปูที่นอนแต่ก่อนที่จะกลับแม่ชั้นก็ยังสั่งกับพลอยว่า แม่พลอยจำเอาไว้ให้ดีรดน้าแล้วเราต้องถอดมงคลก่อนแล้วลุกจากเตียงก่อนต่อไปเขาจะได้กลัวเราอย่าลืมทีเดียวนะชอยคอยเตือนด้ว ย, <ช>อยพอแม่ชันคอยหลังชอยก็บอกว่า<ชอย>ก็พูดกันไปลมๆแลง้ลงๆอย่างนั้นฉันไม่เคยเชื่อเลยเรื่องโคมลอยทั้งนั้นถึงจะเป็นจริงก็ไม่เห็นจะน่าทำ พลอยอยากให้ผัวกลัวหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้สิชอยยังไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้สักทีรีบนึกนึกไว้บ้างเสถิดแม่พลอยนี่ก็แต่งงานเข้าไปครึ่งตัวแล้วมัวแตร่รีรออยู่เดี๋ยวจะนึกไม่ทันก็จริงของชอยนะฉันไม่มีแก่ใจจะนึกอะไรทั้งนั้นแหละพลอยก็บอกตรงๆนั่นสิเพอตัวไปไประเดียวเดียวมาตกที่นั่งเป็นเจ้าสาวซะแล้ว ใครจะเป็นนึกอะไรทันว่าแต่เรื่องใครกลัวใครนี่เถอะฉันยังไม่เห็นจะจําเป็นเลยว่าใครจะกลัวใครข้างหนึ่งก็อยู่ด้วยกันเฉยๆโดยไม่ต้องกลัวกันจะไม่ได้ทีเดียวรืชอยนี่ก็มั้งจะมีความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามกับคนอื่นอยู่เสมออยู่แล้วอนะคะแต่ความคิดของชอยก็น่าสนใจว่าทําไมทําไมจะต้องกลัวกันด้วยใช่ไหอแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสังคมไทยเนี่ยก็จะพยายามที่จะให้ผู้ชายเนี่ยกลัวผู้หญิง ดิฉันว่าไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าถ้าผู้ชายกลัวผู้หญิงก็มักจะไม่ค่อยเกิดเรื่องเพราะผู้ชายนั้นมีกำลังใช่ไหมถ้าผู้ชายกลัวเกรงใจผู้หญิงบ้านก็จะสงบสุขใช่ไหมไม่ไม่ต้องมา อ, อใช้กำลังอะไรกันคือน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้อันนี้สันนิษฐานเองนะคะ และส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายที่กลัวผู้หญิงบ้านชองก็มักจะอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นมีความสุขเพราะผู้หญิงก็เป็นคนที่ช่างจัดการละเอียดถี่ถ้วนแต่ถ้าเกิดแลาผู้หญิงต้องมากลัวผู้ชายนี่ก็ลําบากเหมือนกันนะคุณเชยก็เห็นด้วยนะคุณเชยก็บอกว่าฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันผู้หญิงกลัวผัวฉันก็ไม่ชอบบางคนงี้กลัวผัวซสจนกลายเป็นบ่าวฉันไม่เห็นว่าจะดีตรงไหน แต่ผู้ชายกลัวเมียก็ยิ่งแล้วใหญ่น่าเกลียดออกกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ชอยกับภูเกินบ้างว่าใจจริงถ้าฉันได้มีผัวกับเขาสักคนฉันก็อยากจะกลัวเขานะแต่ฉันกลัวว่าเขาจะมากลัวฉันเสียก่อนเท่านั้นแหละคุณสายซึ่งนั่งฟังอยู่นิ่งๆก็หัวเราะหึ่ๆก่อนจะบอกว่าก็เหมือนน่ากลัวจริงๆคนอย่างยายชอยใครจะต้องมาเป็นลูกเป็นผัวก็มีกำละ ฉันไม่อยากจะพูดอะไรแล้วละพอพูดอะไรกับใครเขาสักทีก็มีคนเห็นเป็นจริงเป็นจังไปสหมดคุณเชยหัวเราะแล้วก็บอกว่าอย่าเสียใจไปเลยไม่ช้อยหล่อนกับฉันก็เห็นจะหัวอกอันเดียวกันนั่นแหละถ้าจะต้องอยู่เป็นโสดไปจนแก่จนเท่าเรามาคอยเป็นคนเลี้ยงลูกแม่พลอยเขาดีกว่าช้อยพอได้ยินคุณเชยพูดถึง พลอยก็ใจหายเลือดขึ้นหน้าด้วยความอายจริงสิแต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกใครๆเขาก็มีกันทั้งนั้นนึกถึงเรื่องนี้ใจหนึ่งก็ยินดีอบอุ่นไปทั้งตัวแค่ลูกคนอื่นพลอยยังรักเป็นหนักนะถ้าเป็นลูกของตัวเองจะรักสักบานใดแต่พลอยเคยได้ยินคนเขาบอกว่า ก่อนจะมีลูกตอนที่เด็กจะเกิดนั้นเจ็บปวดเป็นหนักเป็นนาพลอยนึกไปถึงแม่ครั้งหนึ่ง น, นานมาแล้วเมื่อพลอยยังเป็นเด็กพลอยเคยถามแม่ว่าได้พลอยมาจากไหนแทนที่แม่จะปิดบังหรือเล่าเรื่องที่ไม่จริงให้ฟังแม่ก็บอกให้ตามตรงว่าพลอยนั้นเกิดขึ้นในท้องแม่มีเจ้าคุณพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดแม่บอกว่าแม่รู้แล้วตั้งแต่พลอยยังอยู่ในท้องว่า พลอยจะเป็นลูกที่แม่รักมากเพราะพอรู้ว่าท้องพลอยแม่ก็อิ่มเอิบใจแม่เล่าให้ฟังถึงความเจ็บปวดเมื่อก่อนพลอยจะเกิดแต่ก็มาสรุปความในตอนสุดท้ายว่าพอพลอยเกิดแล้วเขาก็อุ้มมาให้แม่ดูพอเห็นหน้าพลอยแม่ก็ดีใจเสียเหลือเกินความเจ็บปวดเท่าไรเท่าไรก็หายเป็นติดทิ้งเพราะความที่แม่รักพลอยทาให้ความเจ็บปวด ถ้หา ห, หากว่าการแต่งงานจะมีความหมายแต่เพียงว่าจะต้องมีลูกเอาไว้เฉยชมการแต่งงานก็ดูจะเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวอะไรนักนาะพลอยนั่งนึกต่อไปแต่การแต่งงานมิได้มีความหมายแต่เพียงแค่นั้นเพราะหมายความว่าพลอยจะต้องใช้ชีวิตต่อไปกับคนคนหนึ่งซึ่งพลอยจะต้องรักต้องเคารพต้องบูชาที่วิตกอยู่มากก็เพราะว่า คนๆนั้นจะควรแก่ความเคารพบูชาหรือไม่เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆคุณสายบอกให้พลอยเริ่มแต่งตัวเปลี่ยนเป็นชุดที่เตรียมไว้แต่งตอนรดน้ำนี่คือชุดแต่งงานของพลอยครับพลอยนุ่มม่วงดอก ใส่เกลือถุงตีนสภายแพรกระดเข็มกลัดแล้วก็สวมใส่สวมใส่สร้อยที่เสด็จประธานนะคะเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆคุณสายบอกให้พลอยเริ่มแต่งตัวเปลี่ยนเป็นชุดที่เตรียมไว้แต่งตอนรดน้ำพลอยนุ่งม่วงดอกใส่เกือถุงตีนสพายแพรกระดเข็มกัด แลวก็สวมใส่สร้อยที่เสด็จประธานแล้วก็เพื่อเอาใจเจ้าคุณพ่อคุณสายก็ให้พลอยผูกจี้ที่ท่านให้ไว้เมื่อตอนโกนจุกนี่คือชุดแต่งงานของพลอยนะคะทีนี้พอพลอยขึ้นไปถึงบนตึกบรรยากาศโดยทั่วไปและเสียงแขกที่พูดจากันเบาๆอยู่นอกห้องก็ทำให้พลอยได้รู้ว่า งานวันนั้นได้เข้าถึงขีดสูงสุดพิธีที่พลอยกำลังเข้าสู่เป็นพิธีที่สำคัญที่สุดในวันนั้นและหลังจากพิธีนี้แล้วทุกอย่างก็จะต้องถือว่าแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงถอนตัวได้อีกต่อไปจะเปลี่ยนใจอะไรก็ไม่ได้แล้วนะคะกระบวนเจ้าสาวเดินขึ้นทางบันไดหลังเบาๆเสียงแพรกระทบตัวเวลาเคลื่อนไหว เสียงซุบซิบของเหล่าเพื่อนเจ้าสาวเป็นสัญญาณบอกให้ผู้รออยู่ข้างบนนั้นรู้ตัวพลอยถูกนําเข้าไปในห้องที่จัดไว้เป็นที่รดน้ําเมื่อเข้าไปถึงก็ไม่ได้เหลียวดูใครได้แต่ก้มหน้าอยู่ด้วยความสะทกสะท้านเพื่อนเจ้าสาวที่ตามเข้าไปด้วยนั่งกันเป็นกลุ่มข้างเตียงทางที่พลอยขึ้นไปมอบอยู่ชอยหลีเข้ามานั่งจนชิด พอที่จัดกระซิบพูดให้พรอยได้ยินได้พรอยรู้สึกว่าคุณเปรมขึ้นมาหมอบอยู่บนเตียงข้างตัวแต่ก็ไม่กล้าเหลียวไปมองอีกสักครู่เสียงพูดซุบซิบก็เงียบลงเจ้านายต่างกรมองค์หนึ่งเสด็จเข้ามาในห้องเพื่อสวมมงคนแฝดให้แก่คู่บ่าวสาว ในช่วงเวลานี้พลอยพยายามหลบสายตาไม่เหลือบดูท่านผู้เข้ามาประกอบพิธีพยายามที่จะเก็บสายตาของตนให้อยู่เพียงระดับพื้นหน้าเตียงจากนั้นก็มีญาติผู้ใหญ่เข้ามารดน้ำมากมายบางคนก็ให้ศีลให้พรบางคนก็ชมว่าแม่สมกันนัก บางท่านก็รดน้ําเงียบๆส่วนมากเป็นญาติผู้ใหญ่จริงๆน้ําที่รดจรึงรดลงบนศีรษะของพลอยเกือบทั้งหมดช้อยคอยกระซิบบอกว่าผู้ที่กําลังจะเข้ามานั้นเป็นใครแต่วิธีบอกของช้อยก็ออกจะแปลกประหลาดเพราะมิได้บอกชื่อหรือฐานะของผู้ที่จะเข้ามาเพราะช้อยคงจะไม่รู้จักแต่ช้อยบอกเพศวัยลักษณะของผู้ที่จะมารดน้ํา ตามแต่ช้อยจะสังเกตเห็นในระยะเวลาอันสั้นพรอยก็หมอบรับน้ํำอยู่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะคะรู้แต่ว่าเมื่อยไปหมดทั้งตัวตอนที่จะลุกจากเตียงพรอยเหลือไปดูคุณเปรมแวบหนึง่งเห็นคุณเปรมคุกเข่าอยู่บนเตียงรอจนพรอยลงจากเตียงแล้วจึงได้ลงทีหลังทำกลางเสียงหัวเราะเบาๆของเพื่อนเจ้าบา รดน้ำแล้วพรอยก็ผัดเครื่องแต่งตัวอีกชุดหนึ่งและเมื่อแต่งตัวได้ชุดใหม่ก็ต้องรีบขึ้นไปนำผ้าเป็นผ้าไหว้นะคะไปเส้นผีบรรพบุรุษของทางคุณเปรมที่บนตึกโดยเป็นที่เข้าใจกันว่าพรอยและคุณเปรมเนี่ยจะต้องไปทำพิธีเช่นเดียวกันที่บ้านคลองบางหลวงในวันรุ่งขึ้นพอต้อนบ่ายแขกทยอยกลับกันหมดแล้ว เมนวยรูปรวมเพื่อนเจ้าสาวที่ออกมาจากในวงังเพื่อพาขึ้นรถไปส่งให้ทันก่อนประตูวังปิดคุณสายจะต้องอยู่ส่งตัวพลอยในตอนดึกถึงจําเป็นจะต้องค้างคืนหนึ่งแล้วก็จะกลับในตอนรุ่งเช้าเมื่อชอยและพวกเพื่อนเจ้าสาวคนอื่นๆเข้ามากระซิบลาพลอยก็ใจหายจนบอกไม่ถูกจะพูดจะจาสั่งเสียอะไรก็ไม่ได้ได้แต่นั่งนิ่งๆอยู่ ซิงชอยก็พูดเบาๆว่าไม่เป็นไรหรอกพลอยอีกสองสามวันก็พบกันใหม่และชอยก็รีบลุกจากไปพอรู้ว่าถ้าขืนพูดมากตัวเองก็จะกลั้นความรู้สึกไว้ไม่อยู่เหมือนกันเพราะว่าชอยกับพลอยนี่ก็ผูกพันกันมานานเหลือเกินน่ะนะคะคุณเชยแม่ชั้นก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนพลอยจนค่า ประมาณสักยามหนึ่งแม่ฉันก็ขอตัวหายไปบอกว่าได้เลิกปู่ที่นอนแล้วและเมื่อถึงเวลาอีกสินาทีจะห้าทุ่มเจ้าคุณพ่อและคุณสายก็พาตัวพลอยขึ้นไปบนตึกเพื่อส่งตัวต่อคุณเปรมที่รออยู่บนนั้นพลอยมานึกทีหลังว่าตนเองเดินขึ้นไปบนตึกในคืนนั้นได้อย่างไรก็นึกไม่ออก แล้วถ้าจะถามพลอยว่าจำรายละเอียดอย่างไรได้บ้างพลอยก็จำไม่ได้จำได้แต่เสียงโมโหรีดังมาจากชั้นล่างผู้คนเบาบางลงไปมากแล้วเมื่อเข้าไปถึงห้องพลอยก็เห็นเตียงนอนแบบจีนค่อนข้างใหญ่ตั้งอยู่ทางหนึ่งคุณเปรมนั่งสงบสงเง่ยอยู่คนเดียวหน้าเตียงพอเห็นเจ้าคุณพ่อและคุณสายนำพลอยเข้าไปคุณเปรมก็ลงกราบเมื่อลงนั่งกันเรียบร้อย เจ้าคุณพ่อก็บอกพลอยให้กราบคุณเปรมแล้วก็เริ่มสั่งสอนให้คุ้มครองกันให้ศีลให้พรด้วยเสียงที่เบาจนพลอยจำคําไม่ได้เพราะขณะนั้นรู้สึกว่าหูอื้อทั้งสองข้างก็เลยก็คงจะตื้นตันปลื้มปิติเจ้าคุณพ่อพูดจบ <c oughs> คุณสายก็ให้พรด้วยเสียงเบาๆเช่นกันคุณเปรมนั่งพนมมือ รับพอ่อนจากผู้ใหญ่อย่างสงบเงียมมีได้เหลือบชำเลืองมาทางพลอยเลยเมื่อให้พรส่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเจ้าคุณพอ่อและคุณสายก็เดินออกจากห้องไปเบาๆประตูห้องนั้นปิดสนิทลงทิ้งพลอยไว้สองต่อ2กับคุณเปรมเป็นครั้งแรกในชีวิตพลอยนั่งก้มหน้าดูพรมสีแดงซึ่งเป็นลายดอกกุหลาบเหลืองอย่างพินิษพิเคราะห์ เหมือนกับจะทำความรู้จักกับขนสัตว์ในพรมนั้นทุกเส้นทั้งสองต่างนั่งนิ่งกันอยู่อีกนานในที่สุดคุณเปรมก็กระถดตัวเข้ามาใกล้อีกนิดหนึ่งแล้วถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เบาเกือบเป็นกระซิบและด้วยถ้อยคำที่พลอยไม่นึกเลยว่าแม่พลอยจ๋าแม่พลอยเคยขึ้นพระบาทหรือยัง